เฉิยสิติวิธีการกาเข้บทรียนเสียงแยก็อยู่ในขั้นเบสิกเริ่มต้นกันโดยทั่วไปแต่บางคนเริ่มต้นมาหลายปีเนี่ยมันก็ไปติดอยู่ระดับนั้นที่ต่อจากนั้นคืออะไรเนี่ยมันก็ยังต่อบางคนก็ยังต่อไม่ติดก็เลื่องไปต่อหน้าจุดนั้นต่อจากเสียงแก็อยู่ในรูมรูปนามจบบ้างไม่จบบ้าง ขึ้นไปสู่อารมณ์ปรมัิก็มีน้อยปรมัติเบื้องต้นจบบ้างไม่จบบ้างจนกระทั่งปรมัติเบื้องสูงขึ้นไปถึงจะไว้ใจตัวเองได้เพราะะฉนั้นก็จะมีสมขั้นตอนใหญ่ๆขั้นตอนในอารมณ์รูปนามขั้นตอนในปรามัติเบื้องต้นขั้นตอนปรามัิเบื้องสูง ซึ่งก็แยกกันไว้ตามหลักริยาติแหละแต่ว่าในภาคปฏิบัติมันก็เป็นอันเดียวกันเหมือนกับทางขึ้นบันไดสามขั้นรูปนามบันไดขั้นที่หนึ่งปริบัติเบื้องต้นบันไดขั้นที่สองปริบัติเบื้องสูงบันไดขั้นที่สก่อนจะขึ้นตัวบ้านนี่นะ ทีนี่เราก็มาศึกษาทางด้านนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญบา ร, รมีที่สร้างมาดีแล้วทุกคนถ้าไมไ่มีบุญบา ร, รมีสร้างมาก็ไม่ได้มาทําอย่างนี้คนในโลกเป็นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านเมื่อกันกองดูแล้วนี่ที่จะเข้ามาทางนี้ได้ก็เหลือแค่นี้เนี่ยผู้ที่เข้ามาเจริญสติ ว่เป็นการมาทดสอบ <c oughs> บุญบา ร, รมีของตัวเองว่าจ ะ, ะสามารถพ้นทุกขุนร้อนในชาตินี้ไหมหรือจะต่อไปอีกข้างหน้าอีกหลายชาต์เรามาทดสอบดูดังนั้ น, นเวลาเรามาเจริญสติเนี่ก็ตั้งใจให้ถูกว่าเรามาต่อยอดบุญบา ร, รมีของเราให้ สูงขึ้นเหมือนกับเราขึ้นภูเขาลูกที่หนึ่งลูกที่สองลูกที่สามย อ, เอดเจดีย์อยู่บนยอดที่สามลูกที่หนึ่งเรามาถึงแค่นี้แล้วตอนนี้เราอยู่ลูกที่สองเนี่ยอย่าลูกที่สองเราจะขึ้นต่อไปลูกที่3ามคดข้างชันพอสมควรเนี่ยจะไหวไหมก็ต้องมาฝึกฝนกําลังของตัวเองมานั่งเจริญสติขึ้นมามาฝึกกําลังกํำลอง การเดินทางขึ้นลักษณะนี้เป็นการดเดินทางขึ้นด้วยกำลังจิตกำลังใจกำลังศีลกำลังสมาธิกำลังปัญญาถ้าหากว่ากาลังศีลสมาธิปัญญาของเราไม่ไหวเราค็อยต้องมาซักซ้อมอยู่อยู่ตรงนั้นเราอยู่ชั้นไหนก็ซักซ้อมอยู่ช น, นั้นหรือเมื่อนักกระโดดนกะระโดดข้าม สูงระคันที่หนึ่งหนึ่งเมตรขั้นที่สองสองเมตรขั้นที่สามสาเมตรที่ขึ้นไปแล้วกระโดดข้ามหนึ่งเมตรได้สบายๆขั้นที่สองสองเมตรไปไงไหวไหมต้องเลี้ข้ามไปสามเมตรกระโดดสูงกระโดดข้ามที่ขั้นที่หนึ่งได้ก็ฝึกอยู่นั้นแหละจนกว่าจะกระโดดข้ามขัม้นที่สอง กระโดดข้ามข้ที่สองแล้วก็ฝึกอยู่นะจนกว่าจะกระโดดข้ามที่สามบางคนก็ท้อไม่ไหวเอาแค่ขั้นที่หนึ่งก็พอขั้นที่สองเอาไว้ชาติหน้าขั้นที่สามเอาไว้ชาติ น, านู่นนี่คล้ายอย่างนั้นสมมุตินะสมมุติแต่คนจริงแล้วถ้าไม่เอาสมมุติมาพูดมันไม่มีภาษาที่จะพูดนะแต่ผููได้เห็นภาพว่าเป็นอย่างนั้น <c oughs> นี้ในในวิธีการเจริญสติเนี่ย <c oughs> เราเรียกว่าเจริญวิปนะัสนาเจริญวิปัสนาเลยทีเดียวเพราะว่าในการเจริญสมถะในขั้นที่หนึ่งเนี่ยอยู่ในช่วงที่เรากระโดดข้ามขั้นที่หนึ่งข้ามให้ได้ถ้าข้ามสมถะไม่ได้ก็คือวิปัสนายากที่จะข้ามในขั้นสมถะหมายความให้ข้ามนิวรณให้ได้ ข้ามีวรทั้งห้าตัวเนี่ยเรามาทํากันเนี่ยนิวรณ์ข้ามได้บางหรือยังข้ามความง่วงได้หรือยังข้ามความเบื่อได้หรือยังข้ามความงุหงงได้หรือยังข้ามความฟุ้งซ่านได้หรือยังข้ามความลังเลได้หรือยังถ้าห้าตัวยังข้ามไม่ได้ก็กระโดดข้ามอยู่นี่จนกว่ามันจะได้นะสมมุติว่าหลักหนึ่งเมตรที่เรากระโดดข้ามมันแบ่งเป็นห้าส่วนนะ ส่วนที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยเราข้ามได้ส่วนไหนบ้างบางทีในหนึ่งเม็รไม่ใช่แกดูข้ามได้เลย่างคนกาลังอ่อนเลยก็ต้องอามาแบ่งเป็นห้าส่วนหนึ 1, 5, ่งส่วนห้าเมตรข้ามได้หรือยังหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสามหนึ่งสวสี่หนึ่งส่วนห้าข้ามได้ข้ามมีอ่อนได้เพราะนี้ข้ามมีอ่อนได้จิตก็สงบถ้าข้ามมีอ่อนไม่ได้จิตก็ยังไม่สงบนะ แต่พอขั้นที่สองต้องไปข้ามความสงบมา น, นี่ไปข้ามสมถะเป็นจริงดังนั้นเองเราปฏิบัติไปเนี่ยมันก็เบื้องต้นเนี่ยต้องเอาให้ให้ใหชัดเจนคําว่าข้ามได้ในที่นี้หมายความว่ามันจะไม่ไม่มีสิ่งนั้นต่อไปก็ไม่ใช่นะหมายความว่าถ้าข้ามนิวรณ์ทั้งห้าได้นิวรณ์ทั้งห้าจะไม่เกิดไม่ใช่สมมุติว่าเราความง่วงเนี่ย ถ้าข้ามไม่ได้หมายความว่าเรายังมีอารมณ์กับมันอยู่แต่ข้ามมาได้หมายความมั น, มน ง, ง่วงแต่แล้วไม่มีอารมณ์กับมันน่ะ ง, ง่วงก็คือ ง, ง่วงอ่ารู้ว่ามันง่วงแล้วก็แก้ไขไปก็จบถ้าหากว่าเราข้อตัวง่วงเป็นตัวหลักเพราะอะไรเพราะว่าเราชอบมันมาแต่หลายภพหลายชาติแล้วเนี่ยเราอยู่กับมันมาหลายภพหลายชาติ ตัวร่วมของตัวง่วงก็คือตัวขี้เกียจตัวขี้เกียจที่เรียวกว่กาการมาฉันทะกราร ม, มาฉันทะในชั้นนักปฏิบัติเนี่ยเราไม่เรียกว่าความใคร่ในกลางเ้าเรียกว่าความใคร่ในความสุขในสุขแบบขี้เกียจคนส่วนใหญ่ขี้เกียจไม่อยากทำงานก็เพราะมันติดทุกขเวทนาติดคนสบายไม่อยากทำงานนะ เวลามาปฏิบัติแล้วรู้สึกเออปฏิบัติแบบนี้มันไม่สบายไม่อยากปฏิบัติเพออราอแล้วพรามันติดสบายสูนั่งเฉยๆไม่ได้มันสบายกว่าเพราะฉะนั้นปฏิบัติแบบนั่งเฉยๆนะั่นคือปฏิบัติแบบถ้าจะว่าไปเลือกๆปฏิบัติไปขี้เกียจอย่างนันแหละขี้เกียจก็อยู่เฉยๆนั่นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยถ้าหากว่าเราแยกอะไรไม่ออกมันก็จะสับสน ตอนแรกในข้ามความขี้เกยียจให้ได้ก่อนนะความขี้เกยียจขี้เกียจยกมือขี้เกยียจเดิ น, นเดินยกมือไปานานๆแกสงสัยไว้จะยกไปถึงขนาดไหนกันเนาะจะจบกันทถถันีขี้เกียจเหลือเกินเดินไปานานๆก็ขี้เกยียจเดินแล้วจะเดินไปถึงไหนกันถึงจะจบนี่ขี้เกยียจหรือไม่อยากเดินไม่อยาก ยกมือก็อยากจะนั่งนั่งเฉยๆเนี่ยก็ยกระดับความขี้เกียจให้ละเอียดขึ้นเรียกว่าเรียกว่าสบายยกระดับความขี้เกียจเพราะฉะนั้นในวิธีการน้นเวลาเราสวดมิกี้สุลุคมิเกี้วอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยโลเกอวิชาโทมนั ส, สังก็อันแรกเบื้องต้นเนี่ย ให้มีอาตาปีคือหมยก็อาตาปีด้วยอะไรสัมปชันสติมาคือมีความขยันด้วยสติขยันด้วยทำสติสัมปชัญญะไม่ขยันด้วยอย่างอื่นนะในมันล็อกเอาไว้อะเวลาสวดอาตาปีสติมากายเยกายานุปัสสีวิหารติอาตาปีสติมาสัมปชันญวินัยโยเกะวิชาโทมนาสังบาลีเขาล็อกเอาไว้ยังไงแต่ว่าผู้ทีเจ้าจะได้ตรัดหรือไม่นั้นไม่ทราบแต่ว่า ที่เราส่วนเป็นอย่างนั้นพอเวลาเรายกมือก็เดินก็เนี่ยเพียงเพื่อให้สำประชัญญะกับสติมันเกิดไม่ใช่ทําเพื่อจะให้อะไรมันเกิดในเบื้องต้นนี้นะทีนี้สติสำญะมันเกิดเนี่ยทำให้เราขี้เกียจได้ไหมทำให้เรางุ่นงิดได้ไหมทําให้เราง่วงได้ไหมทําให้เราฟุ้งซ่านได้ไหม ทำอะไรสงสัยได้ไหมถ้ามันเกิดแต่เราก็มาดูตัวร่วงมันอย่างก่อนที่จะก่อนที่จะขี้เกียจมันเป็นยังไงอาการล้าๆใช่ไหมสังเกตนะก่อนที่จะก่อนที่เราจะใจถอยเนะี่ยอาการเป็นยังไงคือเราเร า, เราติดความสุขติดความขี้เกียจมาหลายภพหลายชาติมาก อ, ะอ่ะไอ้ตัวนี้มันเพงมาก่อนไงเวลาเราอยู่ที่บ้านแล้วมั ม, มีอะไรนอนดีก ว, ว่า ใช่ไหมโอ้พักผ่อนดีกว่าอะไรเนี่ยผู้พบแต่จะหาดึงพักผ่อนและนอนอยู่เวลาไปทํางานรู้ขี้เกียจนอนนิ่งฟ้านี่คนในโลกมันยังมีคนขี้เกียจถึง 85, แปดสิบห้าแปดสิเปอร์คนขยันจริงจริงก็ยี่เปอร์เซ็นต์คนขยนันจะกลายเป็นคนรวยมีฐานะมีหลักมีฐานะมีเกจเดียวช่วยเสียงไปคนขี้เกียจจะกลายเป็นคนระดับ ลงมาเรื่อยๆตามระดับความขี้เกียจที่เกียจมากขี้เกดน้อยจุดขี้เกียจที่สุดก็คือหมดสภาพนะแล้วก็มาแบ่งเป็นอาบยภูมิบ้างแบ่งเป็นมนุษย์ภูมิบ้างแบ่งเป็นเทวดาบ้างแบ่งเป็นพรหมบ้างก็จะวนอยู่อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าตะาสงสารของความขี้เกียจแต่เป็นมันยกระดับขึ้นเรื่อยๆความขี้เกียจระดับต้นระดับสูงความขี้เกียจระดับสูงสุดนั่นเรียกว่าพรหม สามารถขี้เกียจก็ได้ถ้าคนไหนเข้าถึงความขี้เกียจสูงสุดว่าเป็นพรมไปหลายมุนบีได้ให้ขี้เกียจอย่างสมใหญ่เลยไม่ต้องมาเวียนว่ายตายตื้อได้ขี้เกียจให้เป็นนี่ไปเลยเขาจึงเลือกต้องประพฤติประพฤติเอาความขี้เกียจออกเรียกว่าประพฤติพรมมาจันทร์แม้แต่ความขี้เกียจสูงสุดเนี่ยเอาออกการประพฤติเอาความขี้เกียจสูงสุดออกเรียกว่าพฤติพรมมาจันย์เวลาพระพุทธเจ้าตรัสเนีท่านเรียกว่าประพฤติอรหันห์ ตาจันหรือโสดาจันหรืออนาคาจันอรหันตจันแต่ว่าเอาพรหมจันทร์ประพฤติพรหมจันทร์หมายความว่าข้ามความเกียรติสูงสุดได้เข้าสู่ตัวคนจากพรหมจันทร์แ้วดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยท่านบอกว่าข้ามตัวอาทิพรหมจันทร์ให้ได้ก่อนถึงจะไปตัวพรหมจันทร์ปรมัตถพรหมจันทร์ดังนั้นนี่ก็เรื่องสับนะเขาจยาก แต่ว่าเรามาดูาจะลําดับอารมณ์ขึ้นไปตามระดับให้เห็นขั้นตอนของอารมณ์ชัดๆนะว่าเวลาเรานั่งปฏิบัติเนี่ยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยที่เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่เราต้องการอะไรเบื้องต้นที่สุดเคยสังเกตตัวเองไหมนั่งแล้วก็อยากเดินเดินแล้วก็อยากยืนยืนแล้วก็อยากนั่งนั่งแล้วก็อยากนอนที่เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่สังเกตมันเพื่ออะไร ต้องอ่านให้ออก <c ười> คือเป้าหมายต้นต้นเนี่ยต้องอ่านเป้าหมายต้นต้นที่ให้ออกเสียก่อนถ้าเราทำๆๆไปอย่างเงี้ยเป้าหมายต้นต้นคืออะไรอ่านตัวเองไม่ออกเนี่ยเราไปไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นถามบางต้นกันว่าเดี๋ยวเดียยเ้ยวเปลี่ยนยืนเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนนั่งเดี้ยวเปลี่ยนอนเดี๋ยวเปลี่ยนใช้เดี๋ยวเปลี่ยนขัวเนี่ยเพื่ออะไรเคยถามตัวเองไหมหนุ่มข้างหน้านี่เพื่ออะไรมันเ ท, า, นเทาความปวดความปวดเมื่อยใช่ไหมความปวดเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เป็นทุกข์ไม่สบายใช่ไหมเขาเรียกว่าทุกขเวทนาที่เราเปลี่ยนไปเพื่อต้องการอะไรความสบา ย, คว า, บายความสบายเรียกว่าตามภาษาบาลีเรียกว่าสุขเวทนาใช่ไหมอ่าทีนี้พอเปลี่ยนไปในช่วงที่ขณะที่เปลี่ยนเนี่ยเรารู้ไหมว่าความสบายมันเกิดอย่างไรความไม่สบายมันเกิดอย่างไรไ ด, ได้ตามรู้มัญไหม พอสมมติเอาละสมมติเราท่านี้ไม่สบายใช่ไหมเราเปลี่ยนไปท่านี้ป๊นความสบายจากท่านี้ไม่สบายจากท่านนหายไปความสบายเกิดขึ้นในท่านี้เรา่อเดเท่นั้นตามดูความสบายไหมระหว่างความรู้สึกไม่สบายกับความรู้สึกสบายเนี่ยเราตามดูไหนมากกว่าอาอันนี้ เบื้องต้นที่สุดนะต้องตอบได้พร้อมๆกันหมดนะแลระหว่างความรู้สึกไม่สบายกับความรู้สึกบายเนี่ยเราตามดูอันไหนมากกว่าฮะตามดูความไม่สบายใช่ไหมแต่ความรู้สึกสบายเนี่ยเราเคยตามดูไหมเราเสีบใช่หมเพราะเราหามันอะ่ะ เ, เราหามันหาความสบายอะ่ะตลอดเวลาที่พลิกไปพลิกมาเพื่อหาความสบายเมื่อได้ความสบายแล้วเรื่องอะไรจะไปยุ่งกับมันใช่ไหมว่าเสีบมันซะเลย นี่คือเบื้องต้นที่สุดเราเราพลาดตรงนี้นะที่เราพลิกไปพลิกมาเนี่ยเพื่อต้องการความสบายเพื่อต้องการหาดินให้หามันถือว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันผิดตรงไหนหรู้ไหมเวลาพลิกไปเนี่ยไอ้ความสบายมันคงที่อยู่ในะสมมุติเอาพลิกไปแล้วความสบายมันอยู่ประมาณสักห้านาทีต่อจากห้านาทีมันคงที่ไหมความสบายอย่างที่เราเราได้มาคงที่ไหม โดยของที่มันเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นไม่สบายอีกใช่ไหมถ้าเราไม่ชัดเจนต่อความสบายที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าอะพิชาตามภาษาอะพิชาวินัยยโรกีอะพิชาไงโทรมาได้สั่งตามภาษาเขาบอกไว้นะเพราะนั้นที่ที่หลวงพ่อมาพูดไม่ครเป็นเนื้อภาษาที่เราเข้าใจแล้วแต่มันก็คือพุทธพจน์ที่เราส่วนมาทั้งหมดนั่นแหละแต่เนื่องจากหลวงพ่อได้เรียนภาษาบาลีมาบ้างก็ แกเห็นทีนี้ความพอถ้าหากว่าเราเข้าไปรู้ความสบายเนี่ยมันไม่เป็นอภิชามันเป็นวิชาถ้าตามรู้มันได้นะเ อ, เอาละการแก้สิงลินน้ำมันขอแหงทีนี้เมื่อความสบายเปลี่ยนเป็นความไม่สบายมันเปลี่ยนไปนอย่างไรเคยตามดูไ้ย พอเรารู้ว่าความสบายก็ดีความไม่สบายของร่างกายต้องตกอยู่ภายใต้กดของอะไรกดของความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมที่เราเรียกว่าใจรักอ่ะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ถ้าเราได้ตามราามู้ตามดูต่เห็นวยความเปลี่ยนแปลงเรียกว่าอนิจจังแล้วก็เปลี่ยนไปความไม่สบายเรียกว่าทุกขังใช่มทุขังและความไม่สบายตัว น, นี้เราอยู่ต่อไปได้ไหมเราต้องการเอาออกใช่ไหม นั้นความสบายหรือไม่สบายมีตัวไหมไม่มีใช่ไหมการที่มันมีตัวนี่เขาเรียกว่าเป็นอนัตต า, าถ้าการตามรู้ความสบายไม่สบายแล้วก็ให้ชัดๆตั้งแต่ต้นเนี่ยมันกลายเป็นวิชาแต่ถ้าสมมติพระเดจตามดูนะมันไม่ตามดูตจำดับเขาเรียกอภิชาอาอภิชา คือเพ่งหาไอ้ความสบายให้มันอยู่ต่อแต่มันมันอยู่ต่อไม่ได้เพราะเป็นจามปวดหองใจรัก น, นะเสร็จแล้วถ้าหากว่าเราความไม่สบายหรืความสบายเปลี่ยนเป็นความไม่สบายถ้าเราไม่พอไปไม่พอใจกับมันไปงุ่งิดกับมันแทนที่จะดูมันนะนะไปงุงิดไม่พอใจกับมันตัวอภิชาก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นโทมนัส หรือความไม่สบายใจจากความไม่สบายกายเนี่ยมันไปนเกิดด้วความไม่สบายใจตามภาษาเขาเรียกโทมนัสไม่สบายใจแต่ถ้ามันไม่สบายกายดูความไม่สบายกายให้ชัดชัดแล้วแก้ไขมันไม่เป็นโทมนัสมันกลายเ ป, า เ, ปลเป็นวิชานะเห็นไหมกลายเป็นวิชาเพราะฉะนั้นเราก็มาปฏิบัติกับไอ้สามตัวนี่แหละที่เราปฏิบัติเบื้องต้นอันนี้เรียกว่าทําวิปัสสนาเลยคือทําไปแบบนี้ แต่ถ้าเป็นสมถะเป็นไงพยายามทําความจิตให้สงบไม่ต้องไปรับรู้ความสบายไม่สบายของจิตของกายกายมันจะเปลี่ยนไปไหนก็ช่างมันไปนั่งสมชั่วโมงห้าชั่วโมงขอให้จิตสงบอย่างเดียวแต่จิตสงบมันไปรอดไหมไม่รอด <c oughs> แล้วสะกดไปขนาดไห น, นมันไปนั่งไปสมชั่วโมงหชัว่วโมงอาจจะบางคนอาจจะอโลง่งว่างเบาสบายใช่ไหมนั่งต่อไปอีกได้อีกหลายชั่วโมงนั่นก็เรียกว่าสมถะ ใช้พลังของสมาธิสะกดมันไว้ไม่ต้องไปสนใจมันนะแต่การที่เราทําอย่างนี้นไปตลอดโดยที่ไม่มาพิจารณาสามตัวเนี่ยมันเป็นวิปัสนาไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่เห็นกฎของตรามหลักของวิปัสนาต้องเห็นกฎของตรลักษณ์แต่การที่จะไปเห็นกฎตรลักษณ์ของน้ำเนี่ยต้องเห็นกฎตรายักษ์ของอะไรก่อนของรูปก่อนเพราะมันเห็นง่าย เช่ไหมตอนแรกเนี่ยการที่เห็นกฎใจลักษณของลูกคือเห็นความไม่สบายกายความสบายกายไม่สบายกายแล้วก็เปลี่ยนท่าไปอีกก็เริ่มต้นใหม่สบายกายไม่สบายกายสบายขาไม่สบายขาสบายไหล่ไม่สบายไหล่สบายตัวไม่สบายตัวก็ดูอยู่การที่เราตามดูด้วยสติสัมปชัญญะไม่ใช่ตามดูด้วยอย่างอื่นนะไม่ใชไปเพ่งไปจ้องไปบีบไปรัดแต่ให้มีสติสัมปชัญญะในการดู สัมปชานสติมาเวลาไปบทสวดนะว่าอาตาปีสัมปชานสติมาถ้าคนไม่ไม่รู้ความหมายความจริงก็อาตาปีสติมาสัมปชานด้วยความคล่องปากแต่ความจริงต้องสัมปัญญาต้องมาก่อนแต่มันเป็นกลัวจะลึกได้เนี่ยสมมุติว่าเอาละความไม่สบายกายหรือความสบายกายเนี่อล ร, รู้ได้อย่างไรอะไรบอกให้เรารู้ อันนี้ไต่กันไปแต่ต้นเลยนะเรารู้ได้ไงว่าเราสบายกายหรือไม่สบายกายที่เกิดขึ้นอะไรเป็นตัวรู้เวทนาบอกเราเวทนาคือสุขเวทนาทุกขเวทนาคือความรู้สึกทางกายเนี่ยบอกเราใช่ไหมแต่เราเรียกความรู้สึกทางกายว่าเป็นเวทนาบอกเราคือว่านี่สบายน ะ, ะถ้าหากว่าเราไม่ได้เจริญสัญญาสติก็เสพมันไปก่อนให้สบายๆพอมีแรง เช่ไหมเปลี่ยนไปอู้มีแรงเหลือเกินเนี่ยนี่เรียกว่ามันเป็นสมถะไปแล้วถ้าเปลี่ยนไปโดยที่ตั้งใจเห็นไอ้ความไม่สบายมันหายไปยังไงแล้วเปลี่ยนไปแล้วมันมันสบายอย่างนั้นเห็นชัดอ่าตรงนี้เป็นวิชาแต่เความสุขมาสบายไปพลิกไปปั๊บเลยเนี่ยตรงนั้นเป็นอ่าอ่าพิชาใกล้ใกล้กับอวิชานะ แต่มันตัอ่อนๆกลัวพ่อวิชาอวิชามกว้างครอบคุมทั้งหมดแต่ตัวที่แยกมาตัววิชาเป็นตัวเล็กๆนีกก่ก็เรียกว่าอพิชาคือเพ่งอยากจะได้สุขแบบนั้นต่อไปอ่ะคือไม่อยากจะให้มันเปลี่ยนไอคอนสแปร์แบบเนี้ยพอเปลี่ยนไปแล้วงูงหิดเออทาไมมันเกิดเลยเกินนง่วงเนี่ยบ่อยเหลือเกินเป็นงุงหิดมันนี่เรียกว่ายังข้ามตัวง่วงไม่ได้เพราะเราไปเสพมันถ้าดับใดเราไปเสพมันเราข้ามมันไม่ได้แต่ถามว่าเวลาเรา เข้าใจข้าวาข้ามพ้นมันได้มันจะไม่ขี้เกียจเลยใช่ไหมไม่งุนงิดเลยใช่ไหมไม่ง่วงเลยใช่ไหมไม่ฟุ้งซ่านเลยใช่ไหมไม่ลังเลสงสัยเลยไม่ใช่มันยังมีอยู่แต่เราข้ามมันได้อ่ามนใช่คาว่าทุกขโทมนานะซังอัดถังครมยะคือข้ามมันได้ข้ามทั้งความไม่สบายกายและไม่สบายใจตัวตัวที่สามใช่ไตัวแร ก, กว่า อ ไ, อไอ้เป้าหมายของการปฏิบัติที่เจริญสติปัฏฐานน่ะมันบอก5อย่างใช่ไหมอันนี้เพิ่มเข้ามาในเพื่อให้เห็นชัดว่ามันมีบาลียันอยู่แต่เราไม่ใช่พูดเราเองอันแรกว่าอะไรอ่จอาจิตะอาจตานังวิจิตสัตตานังวิสุทธิยาความบริสุาทธิ์สาดของจิตมาก่อนต้องการเป้าหมายของคือต้องการจุูนั้นอันที่2ทุกกะอ่องโสงกะปริเทวะอ่าโสกะปริเทวนานัง สมาธิกมามัยะเพื่อข้ามนะเพื่อข้ามก้าวล่วงไอ้ความรู้สึกไอม้มาล่ำลายกับสิ่งเหล่าเนี้ยข้ามมันให้ได้อแล้วความไม่สบายกายไม่สบายมันก็จะตั้งไม่ได้ทีนี้เราข้ามมันข้ามความง่วงหม่เพราะว่าไม่ได้ไหมายความไม่ง่วงมันยังง่วงอยู่แต่ว่าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ ง, ง่วงก็คือง่วงใช่ไหมเพราะลุกง่วงเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของกายเรื่องของใจง่วงเป็ปนรูปหรือเป็นนา เออนี่ถึงขั้นสอบอารมณแล้วนะความง่วงเป็นรูปหรือว่าเป็นนามความขี้เกียจเป็นรูปหรือว่าเป็นนามคือเป็นเรื่องกายหรือเรื่องใจเหมือนนแต่ว่ากันความภาษาความขี้เกียจเป็นเรื่องของกายหรือเรื่องของใจเอาให้ดีนะวันนี้สอบใครจะข้ามไม่ข้ามก็รู้ความงุนหงิดเป็นเรื่องของกายเรื่องของใจความขี้เกียจเอยความง่วงเป็นเรื่องของกายเรื่องของใจ ฟุ้งซานเเรื่องของกายของใจอราเลยสงสัยเรื่องกายของใจเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าอารมณ์รูปนามนี่ไงถ้าเราไปแก้ที่กายความขี้เกียจมีอยู่แต่ไม่ไปขี้เกียจแก้มันแก้มันออกไปเสียมันเป็นอารมณ์รูปนามแต่พอความขี้เกียจม่อยู่เข้าไปเสพมันมันกลายเป็นนามรูป เพราะฉะนั no it. It hour. Hour ้นนิวรณ์ทั้งห้าเป็นได้ทั้งรูปทั้งนามไม่ใช่เป็นรูปอย่างเดียวก็ไม่ใช่จะเป็นนามอย่างเดียวก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของกายอย่างเดียวก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตอย่างเดียวก็ไม่ใช่เป็นอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งทีนี้หมายความวันจะเป็นรูปเป็นนามอย่างอย่างง่วงอย่างเนี้ยมันก็อาการเบื้องต้นไปไงสังเกตไหมก่อนที่มันจะง่วงสังเกตอาการเป็นไงมันเริ่มมาจากกายหรือใจ บางครั้งก็เริ่อจับกายบางครั้งก็เริ่มจับใจขึ้นอยู่เหตุปัจจัยสมมุติว่าเราทานข้าวอิ่มๆโดยเฉพาะช่วงบ่ายใช่ไหมทานข้าวอิ่มเป็นเรื่องของกายถ้าเป็นเรื่องของกายห้ามมันได้ไม่ไม่มให้ง่วงไม่ได้เพราะกายเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นรูปรูปทุกอย่างต้องเป็นไปนตามโกฎของอะไรใจรักมันเป็นโกฎของเขาไปห้ามก็ไม่ได้เขาต้องเป็นไปตามนั้นแต่เราจะ เปลี่ยนเขาได้ไม่ได้จะเปลี่ยนไตรลักษณ์เป็นไตรสิขาได้ไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้แหละถ้าเราเปลี่ยนไตรลักษณ์เป็นไตรสิขาได้หมายถึงว่ามีสติเข้าไปดูไปรู้ไปเห็นให้ชัดเรียกว่าไตรสิขาแต่ถ้าเราไม่มีสติเข้าไปดูไปรู้ไปเห็นอาการสบายไม่สบายไม่ชัดเรียกว่ากฎของไตรลักษณ์นั่นเห็นไหมมันจะยกขึ้นเป็นมิปรสนะได้มันคือดูตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ก็หมายความว่าร่างกายมันจะปวดไม่จะไหมกเป็นเรื่องของมัน ฉันสะกดจิตอย่างเดียวเอาฉันจะนั่งให้นานที่สุดเท่าที่จะนั่งได้สู้กันอย่างนั้นน่ะสู้กับใครอ่ะสู้ของของสู้กับใครสู้กับกดใจรักก็เลยสู้กับพระเจ้าน่ยเราเป็นมนุษย์จะไปสู้กับพระเจ้าตนี้มันสู้ไม่ได้นะในที่สู้ไปสู้มาก็เป็นพระเจ้าได้มันก็เป็นพระพรุเลยนะพวกที่ทําสมถะเยอะๆหมายพราะว่ากําลังสูงมากอ่าได้เป็นพระเจ้าอีกคนหนึ่งเหมือนกันเลย เทพเจ้าเลยดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราข้ามไม่ได้เลยถ้าเราข้ามถ้าสมมุติว่าเราพลาดตั้งแต่ต้นนะไปข้างบนมันพลาดไปเรื่อยๆแล้วจะมาบ่นทีหลังเออเราก็ปฏิบัติมาตั้งนานนะทําไมแค่นี้เรายังข้ามมไม่ได้ก็มันปฏิบัติมันพลาดตั้งแต่แรกเสียเวลาไหมที่จะมาตั้งต้นใหม่ไม่ต้องเสียเวลาไม่เสียเวลาเพราะเรื่องของปรมาภิษฐ์มันอยู่เหนือการเวลา ใครบอกโอ้ขี้เกียจเริ่มต้นใหม่เสียเวลาในคนนั้นพูดผิดเพราะเรื่องของปรมาภิษฐมันเป็นอาการลีโกเริ่มเมื่อไหร่เป็นเมื่อ น, นั้นเพราะว่าลักษณะของปรมาติ์มันไม่ได้ไปทางขวางแต่มันไปทางลึกนะเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ลงไปได้เรื่อยๆทั้งนั้นเรื่องนี้ต้องไปตรวจสอบให้ดีนะว่าระยะเวลาลงมือนั่งปฏิบัติปั๊บอ่าดูเบื้องต้นก่อนว่าไอ้เม่มันมันเริ่มจากอะไรก่อน เราก็เดินบางสร้า ง, งจังหวะบางขณะเดินจกกูงกลมสร้างจังหวะเนี่ยสำรวจก็ว่ารู้สึกสบายหรือไม่สบายนะถ้าคนไหนรู้สึกสบายอย่างต่อเนื่องยาวนานคือว่าสบายใจนะกายก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่ามีศรัทธาในการที่จะดูในการที่จะทําแบบนี้ในเบื้องต้นเลยนะต้องมีตัวนี้นะมีศรัทธา ศรัทธาที่จะดูศรัทธาที่จะศึกษาศรัทธาที่จะเข้าใจอะไรเกิดขึ้นนี่เรียกว่าศรัทธาที่ถูกต้องเรียกกรรมวิศฐามันเข้ามาเกี่ยวกันดูว่าฉันนั่งแบบนี้อะไรมันจะเกิดก่อนแม้แต่อพอจะไม่ก็จะไม่ถึงสี่นาทีมันก็ไม่สบายแล้วใช่ไหมไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเงี้ยแล้วก็จะเห็นความไม่เที่ยงทีนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องมาดูไอ้ความไม่สบายตรงนี้ให้ชัดก่อนแต่ถ้าหาดูตรงนี้ไม่ชัดรู้สึกไม่สบายฉันก็เปลี่ยนเลยเกิดอะไรขึ้น เกิดอภิชาเพราะเราไม่รู้ชัดในเพราะเราเสพไปเรียบร้อยแล้วเสพไปจนมือหมดช่วงจนมือข้างนิชาสันตุจะต้องนึกถึงความสบายก็ต้องเปลี่ยนให้มืออีกข้างหนึ่งมาจาับใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดนี้ถ้าสัมปชัญญสติเราไม่ได้ฝึกมาพอก็อจะไม่เท่าทันเราจึงฝึกเยอะอยางไงฝึกสติสัมปชญญัญะนะ ทีนี้ถ้าสติสัญญะเข้มแข็งดูได้ชัดโดยตลอดเขาเรียกว่าสมาธิสัมมาสมาธิแต่ถ้าสติสัญญาฝึกได้ถูกต้องก็เรียกว่าสัมมาสติถ้าสัมบัญชิติสัญญาไม่ถูกต้องเรียกว่มิจฉาสติอแต่ว่าสัมมาบางคนไม่ใช่เป็นโดยส่วนเดียวนะอย่างร้อยหนึงอะเรารู้กี่ครั้งสมมุติเรายกไปสิบครั้งเนี่ยเรารู้กี่ครั้งใช่ไหม ถ้าเรารู้ชัดๆยงี้ห้าครั้งไม่รู้เสักห้าครั้งแล้วก็เป็นสมาสติสักห้าครั้งเป็นวิจฉาสติสักห้าครั้งไม่ได้เป็นโดยส่วนเดียวบางคลยกไปสิบครั้ง ร, รู้ชัดรู้ชัดชัดสัสามครั้งรู้ไม่ชัดชัดสามครั้งไม่รู้ชัดเลยนอีกสามครั้งเห็นไหมมันก็จะมีระดับของมันถ้าหากว่าเราสังเกตแต่ส่วนใหญ่เราตัดสินไปเลยอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่แตค่ความจริงความ ผิดทุกอย่างมันก็เดินไปจากความถูกนั่นแหละแต่ความถูกมันไม่เที่ยงใช่ไหมเหมือนกับความไม่สบายเนี่ยมันเดินไปจากความอะไรความสบายตอนแรกนั่งอย่างเงี้ยมันเป็นไ ป, นปนตามกดของแต่ลักษใช่ไความไม่สบายมันก็เดินความสบายใจมันก็เดินทางไปเรื่อยๆจนไปถึงจุดหนึ่งไม่สบายแต่ไม่ใช่ว่าพอพลิกไปปัป๊บมันสบายพอเปลี่ยนเป็นจะไม่สบายก็สบายปับ๊บ ไม่สบายปัก ท, ทันทีไม่ใช่นะมันค่อยเดินเลื่อ ย, อยๆไปในช่วงที่ความสบายเดินไปสู่ความไม่สบายเราได้เห็นการเดินทางของมันไหมการได้เห็นการเดินทางเขง้ามาโดยตลอดเรียกว่าสัมปชัญญะโคจระสัมปชัญญะคือการเดินทางของความสบายไปสู่เพราะสัมปชัญญะก็มีสี่พราะจะไม่ลงรายละเอียดเดี๋ยวมันจะสับสนแต่ให้รู้ว่า เบื้องต้นเนี่ยถ้าปฏิบัติตรงนี้ให้ชัดแล้วเนี่ยมันทะลุทั้งทั้งทั้งสามขั้นเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่าจะไปทีละขั้นละขั้นนะถ้าว่าบันไดภายนอกเราต้องขึ้นทีละขั้นใช่ไหมแต่ถ้าว่าเรื่องของปณิวัตมันได้เป็นขั้นเหมือนแต่เราสมมติพูดเราเป็นขั้นแบบนั้นมันมีฝรั่งคนหนึ่งอ่าเีนี้มีขนงวงเราแกง่วงก่อนความง่วงก่อนที่มันจะเกิดขึ้นที่มาถามเมื่อกี้เนี่ยอาการทางกายตอนแรกมันเป็นยังไง สังเกตไหมคนที่ง่วงสังเกตไหมก่อนที่มันจะหลับตาง่วงนะอาการเบื้องต้นที่สุดมันเกิดอะไรก่อนเสพในความสบายนั้นโดยไม่รู้ตัวอ่ามันเลยนิ่งแล้วก็เสพแล้วร่างกายมันก็เกิดการผ่อนคลายเสพแล้วกเกิดการผ่อนคลายผ่อนคลายก็เสพลึกเข้าไปหน่อยหนึ่งพอเกิดการผ่อนคลายตามันไงตามันจะตก หายใจมันจะแผ่วเอามาศึกษาละเอียดมากขนาดนั้นเลยเนะาตามันตกแล้วพอตามันตกหายใจมันแผ่วกําลังกายเป็นไงเหนื่อยไม่มีกําลังเลยแล้วคอมันก็จะตกทีนี้ตอนแรกตามันตกก่อนชนิดตาลืมไม่ขึ้นเลยอะ่ะบางคนที่หนักๆวิธีการยังไงต้งองสลัดหัวสลัดหางสลั ด, ลดพระุทธเจ้าไปแก้ให้ท่านมุกคณะใช้ถึงเกือบสิบวิธีอะ่ะตอนแรกต้องตบหูตบตาด้วยให้ตื่นก่อนอตอนที่สงตกตบหูตบตาไม่ตื่นนอ ดูไปใกลๆอย่าไปมองไกล้ๆมองหน้าหลวงพ่อนี่คุณไม่ง่วงนะนั่งหลวงพ่อหน้าดูจะตายไปเนี่ยอย่าไปนองเดะหน้าตักตัวเอง ม, ม, มันก็มันก็ง่วงมาอย่างเคร่ิมองไปไกลๆหลวงพ่อเห็นนะมองไกลๆไกลไปนู่นอันนี้มองไ อ, ไอ้ตรงหน้าตรึกมองไกลๆอ่านะอันที่สองเฮ้ยมองไกลแล้วมันยังง่วงอีกนี่พระที่เจ้า พ, พูดกับ พ, พระมุการ า, านะหลวงพ่อไม่ได้พูดตัวเองนะมองไกลมันง่วงอีกทําไง หายใจลึกๆแรงๆหลายๆครั้งหายใจลึกๆกันยิ่งงอีกอลุกไปล้างหน้าอย่ลุกไปเปลี่ยนอิบอยังไม่ลุกไปล้างหน้าเปลี่ยนอิบทให้ชัดอย่าไปแช่อยู่ในบทเก่าเพราะบทเก่านี้สาเหตุงวงอีกก็คือเลือดลมที่เขากําลังเดินเนี่ยมันมันช้ามันเฉยเพราะเรานั่งในท่าเดิมใช่ไหมมันช้าเฉ ย, ยเลือดลมมันเดินช้าปพรมก็เฮ็ดทำให้อีซีทุกส่วน มันอ่อนตัวพอเปลี่ยนไปปั๊บเนี่ยเลื่นลงโดยสะดวกตื่นขึ้นมาใหม่บางคนเก้าสิบเอร์เซ็นตไม่ยอมเปลี่ยนเอาอย่าท่านั้นนะรู้สึกมันมันเข้าที่เข้าทางโดยเฉพาะได้สมาธิระดับหนึ่งรู้สึกมันไม่ปวดเลยนะพอไม่ปวดมันสบายร่างกายปลดโปร่งสบายมากนั่งไปแต่ว่าร่างกายมันถูกบล็อกด้วยท่าการพลิกแต่ละครั้งที่มันตื่นขึ้นมาใหม่เพราะอะไรเพราะว่าเลื่อนลมเขาเดินไวขึ้นเลื่อนลงมันก็เดินตามกฎของอะไรอันนี้จัง เมื่อเขาเดินไม่สะดวกก็ให้เกิดทุกขังเห็นไหมพอเราเปลี่ยนป้องเนี่ยถ้ามีสตินในการเปลี่ยนความสบายเกิดขึ้นเป็นธรรมเป็นวิชาวิชาเกิดโดยธรรมความสบายเกิดขึ้นโดยธรรมคือไม่หลงเปลี่ยนไอการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้สบายไม่ใช่ผิดแต่ต้องมีสติสัมผัสในการเปลี่ยนเท่านั้นเองแต่โอ้คุณไม่มี ความอดทนเลยนั่งนานไม่ได้ฉันได้นั่งทนได้นานอันนั้นกี่เข้าเตรียมตัวเลยเหมือนกันแต่จะใช้ในบางการณีเท่านั้นเช่นว่าจิตมันฟุ้งซ่านเะนี่ยพลิกไปพลิกมามันยิ่งฟุ้งเลยตรงนี้เขาเรียกว่าใช้บทเด็ดขาดเหมือนพ่อแม่อบรมลูกเนะี่ยอบรมแล้วลูกมันไม่ฟังทำไงลงโทษเขียนพอเขียนก็เขียนก็ตีก็ตี เหมือนกันจิตของเราเนี่ยถ้าตามใจมันตลอดเนี่ยมันอ่อนแอเหมือนเด็กถ้ตามใจตลอดมันจอ่อนแอที่ร่างกายเราปริงไปเปลี่ยนมา ท, าทันทีตามความรู้สึกสบายตลอดจิตก็จะอ่อนแอเพราะนั้นบวกให้ทนไประดับหนึ่งที่เท่าจนทนไม่ได้แหละถ้าทนได้อยู่ทนก่อนแต่อย่าถึงกับทรมานถ้าไปทรมานร่างกายมันผิดนะ การมารู้สาเหตุว่าคนง่วงหนักๆเนี่ยสาเหตุมาจากอะไรก็ไปดูเหตุนั่นดี ก, ก่อนนะมันจะแก้สมมติว่าแก้แล้วแก้อีกมันไม่หายเนี่ยก็พราะหนึ่งเมื่อคืนเนี่ยเรานอนไม่ค่อยหลับสองเราไป็นโรคประจำตัวบางอย่างสามเรากินยาบางอย่างที่มันไปกดมีฤทธิ์กดประสาทสสุขภาพโดยรวมไม่ดีนะด้วยสาหัสาเหตุห้าก็คือมออาหาร สีหอย่างเนี่ยเราเป็นอันไหนแล้วก็ตรวจสอบดูแล้วไปแก้เหตุที่มันไม่ถูกคือนอนไม่หลับพยายามนอนให้หลับถ้ามาอาหารก็อย่ากินอาหารเยอะอย่างนี้นะแก้แก้ต้นเหตุมาก่อน <c oughs> ถ้าจะมานั่งแก้ปลายเหตุมันแก้ยากเราพยายามแก้จริงๆแต่มันไม่หลุดเพราะเรามันมีอีกต้นเหตุอีสี่ห้าอย่างที่เราไม่ได้แก้มันนะแสดงว่าสุขภาพไม่ดีตอนนี้งุงแล้วงงอีกไม่รู้เป็นโรคอะไรข้างใน เราก็พยายามเต็มที่แล้วเนะี่ยมันได้แค่นี้อันนี้ต้องเห็นใจนะว่าเขาไม่ได้นะเอ้ครูนี่มันปฏิบัติธรรมไม่ถึงง่วงไม่ได้เขาต้องเป็นไปตามกฎของใจรักษอันนั้นต้องเห็นใจเขาต้องเมตตาเขาสงสารเขาแต่ถ้าแนะเขาได้ก็ควรจะแนะถ้าแนะเขาไม่ได้เขาไม่ฟังก็ต้องปล่อยเขาไปอย่างนั้นเพราะมันมีกรรมมีวิบากอันนี้คือหลักอ่ากลับมาที่เดิมเมื่อเราเห็นแล้วว่าตัวเสพสุขเสพสบาย โดยไม่รู้เปลี่ยนไปเป็นตัวไม่สบายเราก็ไม่ได้ตามรู้อีกและความไม่สบายถึงที่สุดของมันเปลี่ยนไปอีกเราก็ไม่รู้อีกเป็นพิชาและโทมนตเต็มตัวนั่นคือสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่เราสวนมาเมื่อกี้แล้วก็สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ท่านย่อยแยกเอาไว้เยอะเลยนะเมื่อกี้ตั้งแต่จักขุวิญญาณังโสตะวิญญาณังชิวหาวิญญาณัง ากายวิญญาณมานุวิญญาณและวิญญาณนั้นก็ให้เกิดเด่นสัมผัส เ, เวทนาเวทนาแล้วก็สัมผัสสัชชาวเวทนามานุสันเจตนาเวทนาไปถึงนูน่นวิตุกวิจารณ์อันนี้ไม่ทราบว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้หรือว่าพระอหรหันต์ที่ท่านเก่งในเรื่องของรายละเอียดตรงนี้ท่านบัญญัติสับขึ้นมาแล้วก็ทำมาแยกเป็นหลักปริยัติเอาไว้แต่ความจริงก่อนที่มันจะ ไปเป็นวิโตวิจารเข้าถึงจิตเนี่ยนะมันก็เริ่มมาจากเนี่ยไอตัวรู้คือวิญญาณนี่แหละกลับมาตรงที่ว่าเมื่อเราตามรู้ตัวรู้สึกสบายไม่สบายได้ชัดแล้วเนี่ยเราก็มาเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้มันหมายความว่าในสิบครั้งเนี่ยฉันก็รู้ชัดจริงแต่บางครั้งไม่ชัดบางครั้งชัดมากเกินไ ป, ช, กกนไปชัดมากเกินไปใช้ได้ไั้มไม่ได้อีกถ้าชัดมากเกินไป ไม่กี่นาทีแล้วเครียดเลยตั้งใจมากเกินไปชัดแต่เพียงมัชชิมาปฏิปทาชัดบ้างเรียกว่าชาดัดวัางไม่ชดัดว้งางชัดมากเกินไปไม่ชัดเลยก็ตรงไปอีกข้างหนึ่งชัดเกินไปก็ตรงไปอีกข้างหนึ่งดูสบา ย, บา ย, บายชัดบ้างไม่ชัดบ้างมันก็จะเป็นวิปัสนาหลักของวิปัสนาอย่าลืมมัชชิมาปฏิปทาแต่หลักของสมถะมันจะตรงไปทางด้านใดด้านหนึ่งมันถึงไปตัวอริยภูมิไม่ได้ไปขีเพราะมันตรง ตรงจุนชินน่ดังนั้นเมื่อเราเข้าใจหลักเบื้องต้นอย่างนี้แล้วก็สักซ้อมอยู่นั้นแนะักซ้อมดูกันเปลี่ยนความเวทนาแต่ว่าในเมื่อเวทนาสงบตรงนี้แหละมันจะกลายเป็นสัมมาสมาธิหรือมิจฉาสมาธิถ้าสมมติว่านิวรณ์ทั้งห้าความขี้เกียจก็สงบไปความ หงดหงิดก็แก้ได้ความง่วงเหงาห้ามนอนก็แก่ได้ความฟุ้งซ่านก็แก่ได้ค ว, ไดความดังเละสงสัยก็แก่ติดมันจะเบาทีเนี่ยอ่าตัว น, นี้จะเข้าไปสู่ขั้นที่สองละอ่าขั้นที่สองรูปนามเบิง้งเบื้องสูงละขั้นที่สองถ้าเราไปเสพความสบายที่เกิดจากนิวรณสงบนิวรณสงบเรียกว่าสมาสมาธิมันเกิดใช่ไหมถ้าเราไปเสพในสมาธิตรงนั้นเป็นมิจฉาสมาธิอีกมันจะทําให้ วิสาสิทธิทำให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชเกิดฌานวิตกวิจารสงบมีปีติมีสุขมีเอกตาเกิดขึ้นฌานไต่ขึ้นไปตามลําดับทีนี้เอมันไต่อย่างไรที่พูดถึงว่าเมื่อกี้อ้างถึงว่าการขั้นตอนที่ว่านี่มันไต่ไปมีพระฝรั่งรูปหนึ่งเข้าไปถามหลวงพ่อชาหลวงพการเข้าฌานตามลําดับเนี่ยเข้าอย่างไรว่าจากฌานที่หนึ่งไปสู่ฌานที่สฌานที่สฌานจำเป็นต้งฌานที่สีเข้าอย่างไร มันไปเป็นขั้นนึ็นขั้นที่พวกที่เขายังไม่รู้หรือเขาก็นึกว่ามันเป็นขั้นบันไดยอย่างนี้ใช่ไหมหลวงพ่อชาไม่รู้จะอธิบา ย, ยาก็จับหินขึ้นมาโยนกันเราคุณรู้ ไ, ไหนเวลาหินที่มันชั้นโยนขึ้นมาแล้วตกมันมีกี่ชั้นฟังออกไหยแล้วแต่เราจะแบ่งชั้นเดียวก็ได้ร้อยชั้นก็ได้ในตัวความเป็นจริงคนมันไม่มีชั้นอ่ะ แต่เราไมา่ส ม, มุติมันว่าถ้ามันขึ้นไปเนี่ยสิบชั้นมันก็เป็นสิบชั้นร้อยชั้นมันก็เป็นร้อยชั้นแล้วแต่จะไปแยกรายละเอียดของมันอันนี้จึงมาแบ่งเป็นชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สีห้างพอจิตมันเข้าชั้นปั๊บมันก็เข้ารวดเดียวจะออกจากชั้นก็ออกรวดเดียวแบบหินมันขึ้นไปแล้วก็ตกมาอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันที่เราเรียนเวทนาตามลําดับเนี่ยไม่ใช่ไปแต่มันเป็นภาษาสมมุติภาษาปริยัติเหมือนดูว่าเป็นขั้นเป็นตอนแต่ว่าในสภาพรจริงเนี่ยในความสบาย ก็มีความไม่สบายอยู่ไม่ใช่ว่าตายจากแทรกอยู่แต่บนอัตราส่วนน้อยๆในความไม่สบายก็มีความสบายอยู่ในความสุขก็มีความทุกข์อยู่ในความทุกข์ก็มีความสุขอยู่แต่ว่ามันจะเข้มหรือไม่เข้มตรงนี้แหละถ้าความสบายขึ้นไปเป็นความไม่สบายเข้มโดยที่เราไม่รู้ความเพิ่มขึ้นของมันนี่ ตรงนี้เป็นอภิชาและนำไปสู่โทมรัตโดยธรรมชาติทั้งมันแต่ถ้าหากว่าเราเห็นความเข้มของความสบายไปสู่ความไม่สบายตามลำดับและมีสติตามรู้ตลอดคือใช้ตัวทุกขเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาเป็นเพียงเวทนาไม่เป็นอภิชาเพราะเราเห็นการพัฒนาการของมัน <c oughs> ้วบทที่ช่วงนี้มันต้องได้น้ำมะนาวมีๆๆๆเลยขอแวะนอกเรื่องนิดหนึ่งว่าถ <c oughs> ึงเช้ามาอนี่ <c oughs> จะดื่มน้ำตามด้วยน้ำมะนาวเพื่อที่จะรักษาสุขภาพมาก็หลังจากเข้าใจรูปน้ำอย่างนี้แล้วนี่ก็ <c oughs> เลยเออลูกก็สำคัญน้ำก็สำคัญให้ความ เมื่อก่อนให้ความสําคัญกับรูปคือเราจะต้องตกแต่งดูแลเขาให้อ้วนให้พีให้ดีให้งามให้สวยให้หล่อใช่ไหมนั่นก็เรียกว่าดูแลลูกที่เป็นอัตตาทีนี้พอเรามาศึกษาเนี่ยลูนเป็นอนัตตาโอ้รูกเปนตาไม่ต้องไปใส่ใจมเพราะไม่นเนี่ยแต่รักนี่ฉันทุกขังนาจาเขาจะเจ็บเป็นเรื่องเขาเขาจะป่วยเป็นเรื่องเขาเขาก็จะตายเป็นเรื่องเขาเนี่ยไม่จะไม่จ ไ, ไ, ไปสนใจมันเป็นลูกเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมอึม ไม่หูเพราะรูปก็เป็นอะไรทำมาหนึ่งเขาเรียกว่ารูปธรรมในเมื่อเขาเป็นธรรมถ้าปฏิบัติต่อเขาอย่างอย่างเข้าใจไม่เกะเรียกปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่เป็นธรรมเอามาจึงเปรี่ยนเสมือนรูปเป็นรถคันหนึ่งอ่ารถคันหนึ่งถ้านามก็เหมือนคนขับรูปก็เหมือนรถนามเหมือนคนขับถ้าคนขับเก่งมากแต่ว่าขับรูปเดียวไม่ต้องไปดูแลมันถึงเวลาจะไปทงานก็ขึ้นรขับเลย ไปอย่างนี้นานเข้านี่ยเข้าคนขับจะเก่งขนาดไหนแต่รถไปไหวไหมไ ม, ไม่ไหวนะรถก็ต้องพังเพราะมันเป็นรูปมันต้องเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคนขับ <c oughs> ก่อนจะออกรถ ด, ดูก่อนอะไรเป็นอะไรรถมีอาการฟังเสียงรถตลอดว่าอาการอย่างนี้มันต้องบอกอาการช็ุดแบบนี้อาการของรถออกมาแบบนี้อาการของรถจะเป็นแบบนี้ฟังทาไปขับไปฟังไปดูว่ามันผิดปกติก็เอ๊ เสียงมันต่างไปน ะ, ละกลับมาดูก็แต่งมาทําใหม่ลักษณะการดูแลความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แล้วพยายามซ่อมแซมใช้พุทธเจ้าเรียกว่าไม่ประมาท้า <c oughs> <c oughs> จะว่าไปคือรถทั้งหลายดูก่อนท่านทั้งหลายเราจะบอกท่านทั้งหลายรถทั้งหลายรถทุกขันมีความเสื่อมความซ่อมความชารุดเป็นธรรมดาท่านละให้ตรวจสอบตลอดเวลาอันนี้ถ้าว่าเป็นภาษา ่าภาษาธรรมดาร่างกายทั้งหลายมีการเสื่อมการซุดการแก่กันชราตลอดเวลาท่านทั้งหลายต้องดูแลเอาใจใส่ซ่อมแซมรักดูแลรักษาให้มันเป็ น, ป, นปกตินี้เรียวกว่าปฏิบัติต่อรูป่ประธรรมถูกถ้าบาสิ่งทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นไปตามกฎของอ น, นิจจังทุกขังนาตาเราจะดูแลรักษาอย่างไรก็มันก็คเสื่อมอยู่ดีเพราะยังนอย่าไปเสียเวลากับมันเลยอันนี้เป็นอะไรเป็นมิจฉา อยามมิชาปัญญาแนะแต่ถ้าหากเราลูปทั้งหลายมันเสื่อมไปตลอดเวลาต้องดูแลเอาใจใส่มันเหมือนกับรถคุณขึ้นขับแล้วต้องฟังมันว่าเสียงมันแตกต่างไปอย่างไรแล้วเข้าไปแก้ไขสุดความสามารถที่เราจะมีอยู่เมื่อหมดความสามารถเรามีอยู่แล้วเราพึ่งเอารถไปหาช่างอเขาเลิกไปหาหมอหน่อยไดอไปหาหมอคือช่างซ่อมรถก็เลยเออช่างแต่ช่างซ่อมร่างกายเหล่านี้เรียกว่า หมอแต่ก่อนที่เราจะไปหาหมอเราต้องซ่อมตัวเองให้ได้ก่อนอาการบางอย่างไม่จมําเป็นต้องถึงหมอใช่ไหมแต่อาการบางอย่างที่เป็นอาการต้นเหตุเนี่ยนี่คือข้อวิเศษของพุทธธรรมคือศึกษาทุกอย่างที่ต้นเหตุอย่าปล่อยให้มันไปปลายเหตุเพราะปลายเหตุจะแก้ยากต้นเหตุของโครคภัยไข้เจ็บมาจากอะไร ความไม่สบายทั้งหลายทั้งปวงที่เราเป็นๆกันเนี่ยกินยาหาหมออะไมันเกิดมาจากอะไรความไม่สบายกายใช่ไหมแล้วความไม่สบายกายเนี่ยมันมีระดับตั้งแต่ 1- ถึงสิเนี่ยที่ปัจจุบนันเราไปแก้มันขั้นที่เก้าที่10ใช่ไหมแต่ความจริงมันไต่ระดับตั้งแต่ขั้นที่1ถ้าเราเริ่มหนักมันแต่ขั้นที่1ถึงขั้นที่5้า่เงี้ยนะพอทนได้แล้วรีบแก้มันเสียอย่าปล่อยไปถึงขั้นที่10มันก็จะไม่สมไม่สั่งสมวิบาก ไม่สั่งสมทุกขเวทนาเราก็จะไม่ได้รับวิบากทางกายพระอริยเจ้าบางรูปท่านรับวิบาสทางกายเพราะท่านสั่งสมเวทนาบางคนบรรลุธรรมแล้วเป็นโลกนั้นโลกนี้นะแทนที่จะได้เผยแพร่ธรรมนานๆแล้วเข้มแข็งอินทรีย์ทุกอย่างพร้อมกับศ ก, กับเฉงกไม่ใช่นั่งไปก็อึมเงืมือเทศได้แต่ว่าไม่รู้เรื่องคนฟังก็อูอ้สมาธิดีนะนั่ง หลับตาพิมกอเทศไปเรื่อยๆต อ, อนนั้นที่สุดก็อาไม่สบายแล้วหลวงพ่อเป็นนั่นเป็นนี้แล้วใครวุ่นวายลูกศิลป์ลูกหาวุ่นวายต้องไปโรงพยาบาลนี่ต้องเอายานี่ไม่เป็นอันปฏิบัติกันแล้วกังบลว่าหลวงพ่อป่วยไม่สบายแต่ถ้าหลวงพ่อเข้าใจรูกประธรรมเหมือนกัรดูแลรถรู้ว่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายมาจากทุกขเวทนาทุกขเวทนาเ <c> ก <oughs> ิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ตามแก้มันแต่แต่ต้นเหตุ เพราะก่อนที่มันจะมาถึงระดับที่สิบที่เราทนไม่ได้มันไต่มันได้ระดับที่หนึ่งร่างกายมันทนได้ระดับไหนที่พอดีที่ไม่ไม่เป็นวิบากแต่มาระดับ ร, ระดับที่5้ามันสัญญาณมันเอรื้แล้วบอกเราจากข้ามเขียนนี้ไปมันเอรื้อข้ามสืบขีดอันตรายแลนะคุณต้องเปลี่ยนนะใช่ไหมวิทยาศาสตร์เขาก็สอนเราใช่ไหมขึ้นมาแค่นี้นะคุณเหยียบได้แค่ น, นี้ถ้าเหยียบไปนี่ขีดแดงขึ้นนะคุณเหยียบต่อไปไหมเพราะว่ามีโอกาส อุบัติเหตุและสนบอุบัติเหตุเรียกว่าการสั่งสมวิบากกรรมแล้วเวลาเราแก่ตัวไปร่างกายก็ทืุดโมขอนอกเรื่องหน่อยเมื่อวานหลวงพ่อให้ช่างล้างน้ามาทำา้างน้าที่ไอสลาพราะเสดาน้าฝนหลวงพ่อทำลาแล้วก็หลวงพ่อทที่ไหนจะทำสลาหลวงพ่อจะทำไอแทงน้าฝนอยู่้สลานี่กคือแทงน้ำฝนในใต้สลาเนี่ย อันนี้ที่สลาใหม่ที่บนเขาเหมือนกันก็ยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าที่สร้างไว้เก่าๆเนี่ยต้องมีแท้มีน้ำไปสลงตัวนั้นช่างก็ทำก็คุยกันไปคุณว่าก็ถามพ่อใหญ่ทำมานานอายุเท่าไหร่เนี่ยยังไม่อยู่เด็กกว่านี้มาจากขอนแก่นเกศสิบเท่าไหร่ลนะไม่ใช่ผมเพิ่งห้าสิบสี่หลงพอโอ้ท่ามันดูยังอ่อนกว่าตั้งสิบปีเนี่ยทาไมดูนี่อย่างพ่อเท่าไหร่ เอามาไม่ต้องบอกแก๋ายม10ปีก็แล้วกันนก็เลยว่าการที่ไม่ใส่ใจต่อการแก้ทุกขเวทนาเนี่ย <c oughs> ทําให้เราสุดโสงไวแต่ถ้าเรารู้จักแก้เวทนาที่ต้นเหตุนเนี่ยเราจะรักษาเหมือนกับเรารู้อาการของรถรถจะดูได้นานบางคนออกล่นมาห้าปีสิปีเสื่อมโสมแล้วใช่ไหมแต่บางคนใช้รถสาม40ี่สปียังใหม่เลยเมันต่างกันยังไงเข้าใจไหม บางคนใช้ร่างกายมาหลายสิบปีร่างกายก็เหมือนเดิมทุกอย่างแต่บางคนใช้มาไม่กี่ปีก็เอาไปตกเอาไปตายเอาไปเป็นโรคไข้ไข้จีบต่างๆนั้นแสดงว่าไม่แก้เวทนาที่ต้นเหตุนั้นเวทนาจึงเป็นเรื่องสําคัญปัจจุบันนี้เวลาไปเข้าฤทธิ์ที่ไหนหลวงพ่อจับแต่ตุเนี้ยเป็นหลักเพราะรู้ว่า <c oughs> พระพุทธเจ้ายกย่องพระสารีบุตรว่าเป็นผู้เลิศทางปัญญา เพฟังธรรมเทศนาชื่อเวทนาเทศนาคันนี้เรียกว่าเวทนาปริฆหัสสูตรไปอ่านได้เวทนาปริหาตสูตรกําหนดรู้เวทนาตั้งแต่ต้นไปจนถึงสูงสุดเนี่ยเขตไปถูงเขตแดนไหนรูปขอรับได้ไปสู่เขตแดนนไหนรูปเขารับไม่ได้การปฏิบัติต่ตอรูปประธรรมอย่างถูกต้องนั้นมันจะเอื้อต่อการศึกษ า, านมามธรรม ถ้าสมมุติว่าเราดูแลรถคันนี้ไม่ดีถ้าเราต้องเดินรถคันนี้ต้องเดินระยะทางหนึ่งพันกิโลเมตรเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลตลอดมันจะไปถึงกิโลที่หนึ่งพันไมไม่ถึงกิโลสามร้อยห้าร้อยมันมันไปใช่แล้วเราก็ไปไม่ถึงปลายทางแต่ถ้าเอาใจใส่รถดีตลอดเดี๋ยวว่าจะหนึ่งพันกิโลห้าพันเจ็ดพันหื่กิโลก็ไปได้เราจะไปถึงมักผลนิพพานเนี่ยเราก็ต้องดูแลรถของเราให้ปลอดภัยตลอด เราจะต้องข้ามทะเลมาหาสมุทรอีก ม, กมามกมายก็เรียกว่าทะเลแห่งโอคะสูงศาลเนี่ยทะเลราคะกว้างขนาดไหนทะเลโทสะกว้างขนาดไหนทะเลโทสะโมหะกว้างขนาดไหนเททะเลทราย้วยบางบางช่วงลาคะเป็นทะเลน้ําโทสะเป็นทะเลทรายโมหะเป็นทะเลเหมาะใช่ไหม รถขึ้นเขาเนี่ยทะลหมอกได้ไหมทั้งสามทะเลใหญ่ๆเนี่ยเราจะไปถึงเมื่อทะลุเราไม่อจกไม่ดีไปทะเลหมอกฝนตกบ้างกระจกไม่ดีไฟไม่ดีเอาไปกลางคืนอีกตัางหากไปไม่รอด้ทะลุไม่ดีขึ้นเขาอีกต่างหากขึ้นเขาลงห้วยร่างกายเราก็เหมือนกันทุกวันเนี่ยเราใช้สอยมันเนี่ยเราดูแลมันดีไหมพอที่จะนําจิตของเราเนี่ยไปสู่มรรคผลนิพพานได้ไหม บางคนไปแค่ <c oughs> แค่สวรรค์นะ่ไปติดตรงนั้นก็ตายตรงนั้นแหละเบางคนไปพุปนไปสวรรค์ไปหน่อยไปติดที่พรมบางทีก็ไปตายที่พรมเป็นส่วนใหญ่าบางคนข้ามพรมไปได้ขึ้นไปโซดาสหินาคานาคาอีกขั้นตอนป้ายที่เราจะไปเนี่ยมันถึงป้ายสุดท้ายไหมบ า, บางทีแล้วก็ไปเสื่อมป้ายใดป้ายหนึ่งนั่นแหละแต่นั้นเหตุผลก็จะ ม, มาว่า อาสวะที่เราจะข้ามไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆเลยเป็นเรื่องใหญ่มากการมาสวะภาวะสวะอวิชาสวะการมาสวะ พ, พัฒนาไปจากสุขเวทนาที่เราติดภาวาสวะก็คือทุกเวทนาที่เราข้ามไม่ได้อวิชาสวะก็คือทุกขม่สุขเวทนาที่เราข้ามไม่ได้สุขเวทนาที่เราชอบก็คืออนิจจ์ ทุกเวนาที่เราชอบก็คือทุกขงังอทุกขมนสุขเวนาที่เราไปหลงก็คืออนัตตาเพราะนัเวทนาทั้งสามเกิดจากอะนิจังทุกขังอนัตตานั่นเองอแต่ถ้าเปลี่ยนไปสู่จิตสุขเวทนาแปลตัวเป็นอะไรนันธิราคะถ้าปล่อยให้ไปสู่สน้ำนะ ไอ้ดวสุขเวนไปเปลือนตรวนั้นเลยเขาเรียก น, นันทิลาคะ่ะก่อนที่เป็นนันทิลาคะ่ะเขาเรียกอภิชาไงอภิชากล่อยให้เกิดนันทินันทิคือเพลินเพลินในความสุขสบาย น, นั้นเป็นนันทิลาคะ่ะอันนี้ใช้สัพ์หน่อยนะเพราะมันจําเป็นน ะ, ะทุกขเวทนาเราไปจัดการไม่ถูกไปหงุดหงิดกันว่าต้องไปชอบมันบ้างไปยึดมันว้างมันก็จะแปลตัวมาเป็นปฏิฆาปฏิฆาก็เปลี่ยนตัวเป็นโธสั ทุกขมสุกเวทนาคือไม่ชัดเจนทั้งสองอย่างสุขเกิดขึ้นก็ไม่ช <maybe> ัดความไม่สบายเกิดขึ EPA, ini, ้นความสบายเกิดขึ้นก็ดูไม่ชัดความไม่สบายเกิดขึ้นก็ดูไม่ชัดไปเสร็จเป็นทุกขมสุขเวทนาเพราะฉะนั้นที่เขาแปลตามตำราบอกว่าอทุกขกมสุกเวทคือเวทนาเฉยเฉยไม่สุกไม่ทุกข์ร่างกายไม่สุกไม่ทุกข์ไม่ได้มันต้องสุกแล้วทุกข์เดีจะสุขมากทุกข์มากแต่ว่าในแง่ของพุทธธรรมวิปัสสนาคือการไม่ใส่ใจ ต่ออาการสบายหรือไม่สบายกายนั้นเรียกว่าเป็นอาทุกูมิสุขจึงแปลเป็นตัววิชาไงตัวนี้นะวิชาดังนั้นมีเหตุชัดเจนมากเลยใ น, ในพุทธธรรมคาสอนพระเจ้ามีเหตุสับสนุนรับรองกันหมดแต่เนื่องจากเวลาเอาไปทำเนี่ยเราทำไม่ถูกแค่ทุกเขเวทนาเกิดขึ้นทางกายเนี่ยเราเราก็ไปเสกมันละ เวลาสุขเวทนาเกิดขึ้นเต็มที่เราก็ไม่รู้ว่มันอยู่ขั้นไหนสมมุติว่าสิบขั้นกันแล้วกันนะเอ๊อยู่ขั้นที่ห้าหรือขั้นที่แปดตรงนี้ไม่ชัดเพราะเราไม่ได้ดูตลอดมันไต่มานั้งแต่ขั้นที่หนึ่สบายๆแลพอเปลี่ยนไปปั๊บเนี่สมมติอะไอ้ตรงนี้ที่หลวงพ่อไม่ได้เปลี่ยนขั้นที่10เลยนะพอเปลี่ยนไปปั๊บนี่ยมาเริ่มขั้นใหม่ขั้นที่หนึ่งใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวสักครั้ก็ไต่ต่อไปการที่เราขั้นที่หนึ่งเราไปดูขั้นที่ มันเลยตรงช่วงตั้งแต่สองถึงเก้าเนี่ยเป็นอ่พิชาโดยตลอดจนไปถึงโทนะแต่ถ้าเรามีสติสมิยะตามรู้ตามรู้ตลอดเนี่ยมันจะเห็นตั้งแต่มันไต่ขึ้นไปค่อนสบายเริ่มเป็นความไม่สบายที่เร่มเลขึ้นไปดูหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเ้าเวลาจะเปลี่ยนมาหนึ่งใหม่ก็ต้องตามดูว่าสิบเก้าแปดเจ็ดห้าี่สามชองหนึ่งขึ้นไปขึ้นมาอย่างนี้นี่คือความเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปชัดเจน เป็นวิปัสนาทางกายก่อนวิปัสน า, าต้องเริ่มไปทางรูปให้เป็ น, นอ่านให้รูปให้เป็นก่อนแต่ความจริงหลักของวิปัสนาไปเริ่มที่นามแต่ถ้าหากเราไม่มีประสบการณ์เรื่องแก้ไขปัญหาของรูปเนี่ยเราจะไปแก้ไขานามเป็นไหมไม่เป็นเพราะการสร้างเห็น น, นิจังทุกข์ขณาทางรูปเป็นการสร้างดวงตาเขาเรียกธรรมาจักษุเพราะฉะนั้นคนที่เข้าถึงรูปนามจริงๆเขาเลยได้ธรรมาจักษุสมมุติกันว่าเป็นโสดาปฏิมักได้แล้วนะ ไม่ใช่ธรรมดานะแต่ขอให้เข้าใจให้ถูกให้ชัดเพราะฉะนั้นท่านจะแบ่งสิติประฐานสู่เป็นสี่เพื่อไปมักสี่ผลสี่มันไปบังคับก่นตรงนั้นดังนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดสำคัญเบื้องต้นน่อย่ามองข้ามถ้ามองท่าเบื้องต้นได้ไปสูงเท่าไหร่ไปไม่หลอดพ่อฐานไม่ดี แต่ถ้าหากว่าเออไปแล้วมันรู้สึกฉันศึกษามาไม่ดีหลงมาเริ่มต้นใหม่ได้อโอ้ศึกษามาเนี่ยขนาดเนี้ยสั้นสิปียี่ิปีแล้วเนี่ยไปเลยตามเลยเรื่องอะไรจะไปเริ่มต้นรูปนามใหม่อันนี้หลงไปเรื่อยๆหลวงพ่อเคยเล่าเหตุการณ์หนึ่งหลา ย, ลายๆครั้งเมื่อปีสองห้าหลวงพ่อไปจำศีลอยู่ที่อปุยเชียงใหม่โดยปุยเชียงให ม, ใหม่ทีนี้ อ น, นี้อยู่ที่วัดผาลาดข้างล่างใช่ไหมหลังมอชอ่ะแต่ว่าในช่วงที่ไม่ใช่วันพระวันคุเพราะวันพระสิบห้า่หรือแปดค่ำต้องกลับมาที่วัดเพื่อมาปฏิโมกต์อ่าเราก็ไปอยู่ตั้งแต่หนึ่งค่อ่าหน่งคถึงอวว่าสิบ่ค่ำแล้วก็สัตหะต้องกลับมาเพราะในพรรษาเทีนี้เราจะเดินไปตามทางตั้งแต่วัดผาลาดห้่ยแก้วขึ้นไปถึงดยปุยเนี่มันต้องเกือบ20่ิกิโลบางทีมันไม่มีรถ ใช่รถมันเข้ายากเพราะหน้าฝนทีนี้เราก็หาทางลัดสิว่าจากโดยปุยลัดมหาผาราดเนี่ยมันมีทางลัดไหมเราจะเดินลัดเอาก็ปรากฏว่าลัดเนี่ยใน20กิโลมันลัดได้ประมาณสักห้หกิโลแต่เราต้องรู้ทางปากลได้ลองลัดดูโอ้โหมันไม่มีคนนําทางเพราะเราไม่เคยลัดใช่ไหมเขาบอกลัดไปได้ท่านไปเส้นนี้แลมันจะไปทะู้ถึงอัาสาราดว่างั้นเดี๋ยวหลงพอที่ไปขึ้นเขาทั้งหลายลูกอ้ามันไม่ใช่นี่ ก ล, กลับมาไม่กลับไม่ได้ตายลนึ่เดียวมันเจ ะ, ะกลับมาตั้งต้นไปอีกสักพักนึงเอาไปหลงอีกที่หนึ่งไปอีกโน่อนอีกหลงไปหลงมาทุกครั้งที่เรารู้ว่าหลงต้องกลับคุณบอกอดปฏิวัติมาหลาย10ปีแล้วเนี่ยเรื่องอะไรจะกลับมันแค่ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นใช่ไปได้แต่มันไม่ใช่เป้าหมายที่เราต้องการไม่ใช่เป้าหมายคือมรรคผลที่ผ่านแต่มันจะไปติดแค่เทวดาหรือพรหมแค่นั้นเองหลงไปอยู่แค่นั้นคนทั้งหลายจึงหลงไปอยู่แค่นั้นไงเพราะไม่ยอมกลับ ถ้ารู้ว่าหลวงไปติดสงบติดสบายติดฌานติดรีตติดเดชกลับมาตั้งตุนนี้ใหม่ได้แต่บางคนแล้วบอกไปหากินกมลเลยมีเล่นมีเดชมีบารมีมีความสงบมีบุคลิกดีมีหน้าตาดีผ่องใสสะอาดสงบสงบเงี่ยมเป็นที่น่าเลื่อมใสฉันเอาแค่นี้พอล่ะพออยู่พอกินแล้วก็เลยไม่รู้ว่าพลาดแล้วมันไม่ใช่เป้าหมายที่เราจะไปเป้าหมายเราไปคือมรรคผลนิพพานไม่ใช่เอาแค่ความสงบความเสงเยี่ยมความสบาย เพราะในนิพพานไม่มีคําว่าสงบมันมีคําว่าสงบจากกิเลสไม่ใช่สงบจากข้างนอกสงบจากกิเลสจะสงบจากกิเลสได้จิตต้องตื่นรู้เบิกบานใช่ไหมถ้าจิตไม่รู้ตื่นเบิกบานกิเลสไม่สงบไม่ได้ไปสะกดมันไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นมาเจอชาวเขาที่เขาทําไร่บนเขาอะนะหามาทางเส้นนี้ที่ไปผาลาดนั้นไปยังไงเนี่ยเขาก็บอกทางแล้วก็นําทางไป สักพักหนึ่งพอเราเข้าทางถูกแล้วก็ทา่านได้เดินทางทนี้อยแวะไหนนะไปทางนี้ตลอดเราก็ทำถึงวัดขําเปียกมะลอกมะแลกเลยเกือบตายมันหลงไปแล้วกลับหลงมันจะทุกข์จะยากขนาดต้องกลับถ้าไม่กลับตายกับในในป่าเลยเหมือนกันเดีย๋ยแต่พอเมื่อ เ, เจอเทวดานําทางเหมืนกันเดี๋ยวเดี๋ยวนำทางมาถึงตัวอย่างนั้นมันประทับใจจนกระทั่งว่าเวลามาถึงหรือพูดเรื่องนี้เนะี่ยมันถึงลืมไม่ได้ที่จะดึงมาว่า เมื่อเราปฏิบัติไปขั้นใดขั้นหนึ่งได้สัมผัสความสุขความสบายความโล่งปรงเบาสบายอย่าวไว้ใจมันยังไม่ถึงขั้นที่จะจะพอใจตรงนั้นตัวสอบทดสอบอีกว่าความสบายตัวเนี้ยเวลามันขั้นไปสู่จิตแล้วมันไม่ได้นํามันสู่การเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกายแล้วน ะ, ะมันเสบเลยแต่เราก็ดูาความสบายใจความสงบก็ไม่เที่ยงเอากฎนี้ไปใช้เสมออ่าก็ไม่เที่ยง เวลาไปทําให้มันไม่สบายเราก็ไม่ได้ไปเสพความไม่สบายเราบอกความสบายก็ไม่เที่ยงจําคํานี้ไว้เลยแล้วอย่าไปเสพอู้สบายฉันนั่งตรงนี้สงบถึงอะไรยังไปทำโยมือให้ลราบางังเสร็จหมดเลยนะโอ้ทําแบบนี้รู้สึกมันเอาปวดๆอย่างเงี้ยรู้สึกมันได้อารมณ์ดีได้เวทนาดีได้สติดีนะตื่นไปเสร็จกับมันเหมือนกันไปเสพความไม่สบายบางคนปฏิบัติแบบซาดิเนะ นั่ง3ามชั่วโมงหชมงไม่เปลี่ยนเลยได้นะแต่ว่าเขามีพลังจิตสูงอ่ะสามารถสะกดได้พวกนี้ก็เป็นสมถะไม่ใช่เป็นปรสนาดังนั้นเรื่องนี้โอ้เมื่อมามาเจอประสบการณ์ละนี่หลายครั้งหลายครั้งตึ่นทำให้ตื่นตื่นตัวตลอดเวลากับสิ่งเหล่านี้และไปเห็นนักปฏิบัติยังคุกคีอยู่ในสิ่งเหล่านี้แล้วมันทุนไม่ได้ว่าเขาเสียเวลามาเท่าไหร่ เขาเสียเวลาพัฒนาความดีกุศลเบื้องต้นมาเท่าไหร่แล้วทําไมมาติดอยู่แค่นี้ตั้งลุนทั้งลันตั้งดันตั้งดา่ด า, ดาแต่ว่าจะบอกก็ต้องนยอมละเพราะว่าเป็นพระวิปัสสนานี่ยจะมาอะรอให้ใครชมให้สรรเสริญมากลัวการดา่กากันว่าการเสื้อกตินดดไม่ได้ต้องทํำทุกอย่างเหมือนพ่อแม่เนี่ยถ้าลูกออกนอกลู่นอกทางน่ยถ้าไม่จัดการแรงๆมันไม่ฟัง ก็ต้องจัดการแรงๆแต่บางคนก็แต่นิดหน่อยเขก็ไปได้แล้วบางคนต้องแต่แรง ๆ, ๆที่จะไปได้เหมือนกันดังนั้นอาตมาก็โดนมาทางน้าตลอดไม่มีใครว่าชมอาตมาเท่าไหร่หรอกแต่เราทําหน้าที่ของเราทําหน้าที่ของเราให้ถูกต้องก็แล้วกันเราสำรวจตลอดเวลาว่าต้องเป็นอย่างนี้คนส่วนใหญ่ที่มาทางนี้ได้คนที่ได้บําเพ็ญบุญบา ร, รมีมาเยอะแล้วแต่ว่ามันยังเสวยในบุญบา ร, รมีอันนั้นออกไม่ได้ แต่เราต้องการให้เขาไปสูงกว่านั้นก็ต้องตอกแล้วย้ำอีกจะหนักจะเบาจะค่อยก็ต้องทำกันขอให้ออกจากตัวนั้นคืออย่างน้้ยขยับไปข้างหนาอีกหน่อยก็ดีแทนที่จะแช่อยู่ตรงนั้นเนะพราะรู้ว่าสุขเวทนาแช่แล้วมันนำไปสู่อะไรอภิชาอภิชาตัวนี้นำไปสู่ราคะนันทีก่อนโหความเพลินก่อนเพลินในสุขเวทนาราคะพอเป็นราคะนาไปสู่ตัวกามฉันทะ ที่มาของนิวรนตัวแรกเลยเห็นไมกามาฉันทะต้นตอของมันคือสุขเวทนาเราเพลินในสุขเวทนาเป็นนันท่เราเพลินอยากจะให้ความนันทีความเพลินความสุขอยู่ให้เยอะๆเป็นนันทิราคะแล้วเราก็เกิดความออยากเสพให้มากขึ้นกว่า น, นั้นเป็นกามาฉันทะยคว้าสัญหาความสบายสกายสบายใจอยากสงไปมากกว่านี้อยากจะลึกไปมากกว่านี้ มันอยากตลอดแต่เราไม่สะกิจใจพราะเราขาดปสุการณ์ไงเราก็ไปเสพกรมฉิสัญธาเกิดนะกรมวิัญธาพอกรมวิันทาเราไปเสพมันเข้าก็กลายเป็นตัวตัณหาอ่าเป็นตัวตัณหายากอยากขนขวายแล้วทีเนี้ยถ้าเป็นกรมวัญธานนี้ก็หมือนกับเสพธรรมดาได้ตัณหาขนขวายแล้วขนขวายหาอย่างงุ่นอย่างนี้เป็นกรมอตันหา ด, ي, ดูดูดูดูสายที่มันเดินดิดูมันเดินทางเป็นความอยากในหอนควายอยากหาความสุขในชั้นเราเนี่ยไม่ได้ไปอยากหาทางเพศทั้งอะไรดอกอยากจะได้ความสุขยิ่งๆขึ้นไปนั่นแหะเป็นกะเป็นเป็นเขาว่าตัณหาแล้วอ่าที่เราสวดเมื่อกี้่ยภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาการมมตัณหาถ้าเราไปยึดการมมาตัณหาต่อไปเป็นกรรมมากรมมุปาทาน เราอยากจะยึดตัวอยากนี่การมุประธานพวกเราไม่คุ้นหรอกคุณแต่การมตัญหาพเพราะนั่นไปไถึงมันการมุประธานและกามุประธานนี้เราก็ยังไปยึดไม่เป็นโลเป็นตัญหานสัยแล้วพัฒนามาเป็นตัวโลภะที่มาของโลภะมาจากสุขเวทนาแต่มันตายไปตามลําดับตายขึ้นไปเป็นโลภานุสัยโลภานุัยเราก็ยังไม่รู้สึกอีกทมันมันละเอียด โลภานุใสทางโลกก็เรโลภะโลภใช่ไหมแต่พอมาเป็นทางธรรมเป็นเป็นโลภานุใสโลภานุใยพัฒนา ม, มาเป็นตัวพระวาสวะอตัวเป็นกามมสวะไปเลยและเอียดที่สุดลเอาอยากละเพราะนะั้นพวกพมทั้งหลายก็ไปติดอยู่ตรงนี้พวติดกามมสวะแต่เทวดาไปติดอยู่แค่การมวุฒิทาน นั่นเราจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราจะทําเล่นเล่ น, ลนหัวหัวไปมันก็ได้นะมันก็ได้อย่างนั้นแหละหรือจะทำจริงจังแต่มันไม่ถูกมันไม่พอดีก็ได้เหมือนกันได้แบบนั้นแหละเราเสียดายยังไงที่พื้นฐานเรื่องสังสมมาดีมาตลอดพบตลอดชาติเนะี่ยกว่าเราจะมีวันนี้เราก็มาทําผิดๆถูกๆอีกมันไม่ได้ต้องพยายามศึกษาเรื่องนี้ให้ละเอียดทีเดียวทำไมาเองก็เลยต้องเดินทางกันตลอดเวลาทั่วโลกถ้าจะว่าไปเนะี่ยไปทั่วโลกเพื่อไปบอกกับคนดีมีบุญทั้งหลาย มันหาได้ไม่ง่ายอามาจะนั่งอยู่กับว่าเ้าให้คนดีมีบุญทั้งหลายมาค่เรามันยากเราไปเลือกเอาว่ามันอยู่ที่ไหนไปหาเวลาจึงไม่พอเพราะงั้นามาจึงต้องรักษารถคนีไว้ให้ดีเมื่อตัวเองอะเอารถตัวนี้ไปถึงเป้าหมายแล้วเอารถนี้กลับมาเพื่อจะให้คนอื่นโดยสารต่ออีกจนว่ามันจะพังอะเนาะแต่ไม่รู้มันจะพังวันไหนกันเนี่เออมันสนุกในเรื่องเนี้ยบางคนโอ้หลวงพ่อทำงานนั้นไม่เบื่อบางเลย เออไอยู่กับที่สติเรื่องนี้เบื่อไม่ได้ถ้าเบื่อแสดง ม, มันยังไปไม่ถึงเป้าหมายยิ่งทำยิ่งสนุกไม่มีวันตายมันไม่มีตายไม่มีเกิดอ่ะมันมีแต่ความต่อเนื่องของการมีอยู่ของชีวิตของเรานะเวลามันเบื่อเพราะอะไรเพราะเราไปติดสุขพอไม่ได้สุขอย่างใจมันก็เป็นทุกขเวทนาพอทุกขเวทนาเราก็เบื่อ แทนที่เปพิจารณาทุกเวานาที่มันเกิดเพราะยังไม่ขําวิปัสนาตรงนั้นไม่เข้าวิปัสนาตรงนั้นยังไม่ชัดนะเพราะฉั้นจะมาบ่นว่าเบื่อว่าเซ็งไม่ได้ถ้าเบื่อว่าสิ่งแล่าแสดงว่ามันไม่สู่หลักของวิปัสนาที่อูต่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ไต่ต้นมาใหม่แต่รู้ว่าผิดตั้งต้นใหม่ทีนี้มันจะไปได้ไวเอามาตั้งต้นไม่รู้กี่ร้อยรอบหรือรู้ว่าผิดกลับรู้ว่าผิดกลับรู้ว่าผิดกลับแต่ส่วนใหญ่ผิดแล้วผิดเลยไปข้างหน้าขี้เกียจครับ ไปได้แต่ว่ามันไม่ใช่เป้าหมายนะที่จะถึงมันเข้าไปตีแค่พรม่มแค่นั้นก็เลยต้องประพฤติต่อไปอีกแต่ประพฤติปล่มมรจันอาาย่างเงี้ยไม่ต้องไปประพฤติอราหารันโสดาสีนาคาแล้วประพฤติพ ร, มาาร่มมรจันเอาความสงบขั้นสูงสุดออกให้ได้นะ่ะมันไปสู่อริยะเลยพุทธเจ้าเรียกประพฤติปล่มมรจันอาจาเอาความเป็นปล่มออกให้ได้ถ้าตาับใดแต่บางคลปัญญาไม่พอออกมาได้ก็ติดอยู่แค่นั้นก็ตายอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือพัฒนาปัญญา พัฒนาปัญญาย่งก็คือพัฒนาสติมิจญาให้มันะเอียดขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะกลายเป็นสติสมาธิปัญญากลายเป็นศีลเองเพราะฉะนั้นในศีลในตัวพรหมจรรย์กับตัวอาทิพรหมจรรย์ต่างกันศีลในอาทิพรหมจรรย์คือศีลสองแล้วศีลแปดศีลห้าศีลสองแล็จะเป็นศีลในอาธิพรหมจรรย์เป็นล้วนแต่ถ้าศีลในตัวเป็นพรหมจรรย์ก็คือสติสัมปชัญญะนั่นเองคือตัวศีลที่เรามาทำนี่คือมาทําศีลนะ แต่เป็นศีลที่เป็นพรหมจรรย์ศีลที่เป็นปรมาจา์แต่ถ้าเราไปยึดติดศีลอธิพรหมจรรย์ก็มาศีนี้ไม่ได้เหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นศีล ร, ร, ระดับพระระับปรมาตรดังนั้นเรื่องนี้มาท่านบอกว่าโอ้โหเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วมาก็จากการที่มันผิดแล้วผิดอีกล้มแล้วล้มอีกแล้วเราไม่ยอมตายตรงนั้นน่ะมันได้ประสบการณ์อันนี้อันนี้ว่าแค่ตัวไอ้ทุกข์สุขเวทนานะถ้าจะว่าต่อ ภาษพัฒนาไปยังไอ้ทุกขเวทนาพัฒนาไปไงใช้เวลาอีกชั่วโมงหนึ่งมาได้กินข้าวกันแล้วงั้นะถ้าจะว่าทุกขคมสุขเวทนามันพัฒนามาเป็นอวิชชาสวายก็ใช้เวลาอีกชั่วโมงหนึ่งอันนี้เราว่าแค่สุขเวทนามันจะหมดชั่วโมงแล้วนี่นะดีย๋ยวไม่กลัวขอบนนะุญเอาไว้เที่ยวหน้ากันแล้วกันเนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดให้กันฟังบ่อยๆเพราะเราติดมานานมาไปที่ไหนก็พูดเรื่องนี้แหละไม่ได้เรื่องอื่นแล้วนะ แต่ว่าคนที่อยู่ในระดับนี้จะเข้าใจได้คนที่สูงคนนี้ก็จะเข้าใจได้คนระับนี่คนนี้จะเข้าใจได้ตามระดับของตนเราจะพัฒนาไปเรื่อยเหมือนเราขุดหลุมเสียมก็อันเก่าหลุมก็อันเก่าแต่ขุดไปเรื่อยมันไม่อยู่ที่เก่ามันเป็นไงมันลึกไปเรื่อยยกมือก็อันเก่าเดินจโจงกระดับสติสัมยักก็อันเก่าแต่ทาไปเรื่อยมันลึกลมไปเรื่อยถ้าคนบอกว่า ปฏิบัติอย่างนี้แล้วต่อไปจะไปไหนแส้นคุณไม่ถูกที่คุณไปเจอหินถ้าคุณไปเจอหินก็ต้องเอาหินออกแต่บางคนมั น, นเสียมไม่คมพอจอะไม่คมพออีเตอร์ไม่คมพอ ก, ก็เปลี่ยนที่เท่านั้นแหละ เ, ออเปลี่ยนที่ไปคุณตรงนั้นที่ไม่มีหินสิถ้าคุณเอาหินออกไม่ได้แต่ถ้าคุณเอาหินออ ก, กได้ใต้หินนี่นะมันอาจจะไม่ลึกก็ได้อาจจะเจอน้ําก็ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องรายละเอียดเยอะมากแต่ขอให้เข้าใจห ล, ะ ล, ะละักๆมนว่าขณะที่ทําเนี่ยเรา ติดสุกก็พิถีพแล้วลตาแล้วก็จะหลับนะตาเราจะอ่อนตัวตอนแรกที่สุดสังเกตให้ดีถ้าติดง่วงเลยนะมันจะต้องลมหายใจมันจะอ่อนก่อนเอามาสังเกตถึงขนาดนะั้นพอลมหายใจแผ่วปับ๊บอินทรีย์ของเราจะเลือดลมจะเดินไม่สะดวกไม่พุ่งไม่แรงเมื่อไม่พุ่งไม่แรงอินซีย็จะอ่อนตาเป็นเซนซิทีฟที่สุดมันขึ้นลงมันจะอ่อนก่อนพออ่อนต่อไปปับ๊บร่างกายก็จะเบานั่งได้นานโดยไม่ปว ด, ดวม่เมื่อยเลย เพราะอะไรเพราะเลือดลมมันเดินเดินช้ามากไอ้เซลล์ต่างๆมันไม่รับรู้ต่อการจีบการปวดแล้วเอามาพึ่งอวัยะที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาแก่ตัวมาเพราที่นั่งสมถรถานานๆเอามาไปเคยไปเจออารมณ์นี้ครั้งแรกสามารถสงบเข้าสงบได้แข็งเลยนะอยู่ได้หลายชั่วโมงก็ตื่นเต้นดีใจว่าเราได้บรรลุฌานอย่างว่านี้นี่นะเอาไปรายงานหลวงพว่อเหีนว่าผมเมื่อคืนนี้ผมปฏิบัติผมเข้าได้จุดนี้จุดนี้ นั่นแหละผมว่าเดือนเดียวผมสอนได้สอนได้ทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่รี้นใช่ันเขาเรียกว่าสะกดจิตตัวเองทําได้แต่ว่าเวลาแก่ไปคุณที่เป็นอัมพฤ่งอ์อัปภาตายนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เชื่อคุณทําต่อไปถ้าคุณเชื่อคุณต้องอย่าทําต่อไปหลวงพ่เทียนขัวไว้อะหมากก็เลิกพวกนี้ตั้งแต่ได้แต่นึ่งมาเลยนะนั้นเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เราจะทําแบบ เรื่อยๆเปล่ยปลี่ยนยังไงก็ได้ไม่ใช่ต้องละเอียดมากเรื่องเหล่านี้ยังงั้นไปยังงั้ใครก็ปฏิบัติได้ดิใครจะ บ, บรรลุได้ในมรรคผลนิพพานใช่ไหมมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าศาสนาบาลามีไม่พอเพราะการใส่ใจความแยบใครที่ใช้คำว่าโยนิโสมนสสิการไม่แข็งแรงพอโยนิโสมนัสิการเป็นชื่อของปัญญาจะพัฒนาปัญญาพัฒนาโยนิโสมนัสิการได้ก็พัฒนาไปด้วย เวทนามันไต่ระดับขึ้นไปหนึ่ถึงสิบมันไต่อย่างไรแล้วปัญญาคุณก็จเจริญแล้วเวลาคุณจะพลิกจะเปลี่ยนสิบลงมาหนึ่งเนี่ยมันมันลงมาอย่างไรพรีิที่สุดถึงวันสิบนีครับคุณจะแบ่งเป็นร้อยชั้นก็ได้ก็ยละเอียดขึ้นนะนะมันก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆคุณก็ดูความละเอียดตรงนี้ให้เป็นเท่นั้นแหละโยนิสุมวิสิการสัมปชัญญะปัญญามันมันมันเข้มขึ้นเองแต่คุณดูถูกตรงนี้ปั๊บเนี่ยไปข้างหน้าคุณก็ไปดูถูกเรื่องอารมณ์เหมือนกัน ดังนั้นเรื่องนี้จึงต้องบอกกันตรงๆเพราะไม่ค่อยมีเวลามาพูดกันบ่อยแต่ถ้าหากว่าจำตัวนี้เข้าใจดีชัดเพียงพ อ, อเพียงพอแล้วเราก็จะทำได้ง่ายได้สะดวกเป็นสุขาปฏิปทาฉิปปิญญาในวิธีการนั้นนี่นะปฏิบัติสบายเข้าใจเร็วแต่คุณถ้าไม่สนใจการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเวทนาแล้ว ทีทุกขาปฏิบัติธนรมทารพิยาปฏิบัติลำบากรู้ก็ช้ามันมีทุกสีระดับบางอย่างปฏิบัติสบายรู้ช้าบางอย่างปฏิบัติลำบากรู้ช้าบางอย่างปฏิบัติสบายรู้ไวบางอย่างปฏิบัติสบายไม่สบายแต่รู้ไวก็มีบางอย่างปฏิบัติไม่สบายแต่รู้ช้าด้วยก็มีมันมีสีระดับอันนี้รายละเอียดมันเยอะนั้นเราจะเห็นว่าเอานิมนต์พระเราไปรับอาหารนะครับ เราจะเห็นว่าเรื่องนี้ให้เอาไปศึกษาให้ดีไม่ใช่จะเฉพาะดูการนั่งทาง่านะที่ไอ้ทุกขเวทนาบรรไ่ระดับต้องยืนอยู่บ้างอ่ะดึนดูว่าความทุกขเวทนาที่ขึ้นมาเริ่มที่แข้งที่ขาที่ตัวมาเริ่มยังไงแล้วเราจะเปลี่ยนเนี่ยคุณเออพอเราจะเลยต้องถามก่อนว่าที่จะเปลี่ยนท่านี้ไปอยู่ท่านั้นเปลี่ยนทําไมอ๋อเปลี่ยนเพราะมันหนักแล้วแล้วจะเปลี่ยนเอาตัวหนักเนีอ่ออกไปอย่างไรเปลี่ยนไปป๊บเลยได้ไหมได้จากหนึ่งถึงสิบเลยก็ได้แต่ว่า โยนิสูเราได้ไหมไม่ได้เพราะส ม, มิธิยะไม่โหเวลาเดินจกโจงกระไปแล้วสังเกตไหมว่าตอนแรกเดินสบายสบายใช่ไหมเดินไปสิบวิทียี่สิบิทีขาเรื่องไปไงตึงใช่ไหน่องไปไงแล้วก็ตีนที่เหยียบไปเหยียบมาเป็นยงไงให้สังเกตขนาดนั้นเลยนะนี่คุณเดินบนเพลินไปวันวนึงมันปวดตรงไห น, นมันเกิดยังไงคุณไม่ใส่ใจมันแล้วโยนิสูมันการมันจะเกิดยังไง เมื่อโยนสูมณสิการไม่เกิดปัญญายามจะเกิดยังไงพิปสัสนายามจะเกิดมันเกิดไม่ได้เพราะต้นเหตุที่มัโยนิสูมนสิการไม่พอพระุทธเจ้าจึงยกย่องตรงนี้มากว่าเหตุปัจจัยที่จะนําไปสู่มรรคผล น, ผนิพพานมีสองกรณีเท่านั้นหนึ่งได้กัลยะาณมิตรที่ถูกต้องสองคุณเองต้องมีโยนิสูรมนสิการเท่านั้น บางทีเราไปเจอกัลยามิตรที่ดีมากพูดอะไรเข้าใจละเอียดมากแต่ว่าเราขาดโยนิโสบริสิการตัวนี้สําคัญท่านจึงเรียกธรรมวนี้ว่าบุพนิมิตของมรรคผลิพานเป็นธรรมเป็นเบื้องต้นทางที่สุดต้องให้ความสําคัญทำไมาจะเรียกว่าบุพนิมิต ท, ท่านบอกว่าวันนี้เนี่ยมันจะบางคนเราไปที่ต่างที่ต่างถิ่นเราไม่รู้ว่าที่ต่ามันออกตะวันตกหรือที่ใต้อยู่ไหนใช่ไหม เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราจะรู้ได้ไงว่าที่ตะวันออกอยู่ตรงไหนสังเกตได้ไงดูที่แสงแตะวันมันขึ้นเข้าใจไมตรงไหนมันสว่างตัวนั้นสแสงตะวันมันขึ้นตัวนั้นเขาเรียกว่าเป็นแสงเงินแสงทองขึ้นมาฉันใดพระุทธเจ้าตรัสนะชันใดผู้ที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้นั้นให้สังเกตดูตัวสองประการนี้คือหนึ่งมีกระดนานมิตรที่ทําความเข้าใจได้ถูกต้องสองเราเองมี ความละเอียดพอที่จะทําตามอย่างที่ท่านเสนอตรงนี้ตถาพุทธเรียกว่าเป็นบุพนิมิตแห่งมรรคผลเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมเคยแต่มันจำไม่ได้อาจารย์วิปัสสนาที่ไหนก็พูดเรื่องนี้แต่ว่าเราจำไม่ได้ดังนั้นต้องใส่ใจก็ไม่ต้องไปจําเราใส่ใจทำ่างนี้แล้มันก็ถูกต้องมันเองการใส่ใจโยนิสุภิการทางด้านจิตเนี่ยมันต้องทางด้านนามนันต้องไปจากกายจากรูปก่อน แม้แต่รูปดูง่ายๆชัดๆเ ด, ด็กคุณยังไม่แยกใครกับมันไม่ได้แล้วเรื่องอารมณ์จิตใจไปแยบใครมันได้ไหมไม่ได้มันมองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้ด้วยแต่ร่างกายนี่เราสัมผัสได้ใช้เป็นเห็นชัดนี่ยเรายังเห็นมันไม่ชัดเลยแล้วในเรื่องนามจิตอ่ะสัมผัสไม่ได้เห็นไม่ชัดก็ยิ่งยากเขึ้นไปอีกดังนั้นอย่าไปคิดว่ามันเป็นเบือเบ้องต้นเบื้องต้น เพราะลักษณะของธรรมนั้นมันเป็นวงกลมไม่ใช่เส้นยาวสมมุติตรงนี้นะผมพ่อชอบใช้อุปกรณ์ขนาดเด็อฮะเส้นกลมเนี่ยถามว่ามันเริ่มต้นณนที่ไหนมันสิ้นสุดณที่ไหนวงกลมเนี่ย การเริ่มต้นที่สุดมาอยู่ที่เดียวกันแล้วแต่คุณสัมผัสต ร, ตรงไหนตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดแต่พุทธธรรมมันไม่ใช่อย่างนี้อันนี้คือสังสารวัตมมาเริ่มต้นไม่มีที่สุดไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเป็นนิพพานหรือพิสังขารไม่ไม่ใช่สังสารวัตเป็นเป็นธรรมวัตเนี่ยมันเริ่มต้นตรไหนมันก็จบตรงนั้น เราจะมาศึกษาโลกแบบนี้แต่ที่แล้วมาที่เราทุกตลอดเดินทางโดยไม่รู้จบคือศึกษาโลกทางนี้อวิชชาโลกโกรธหลงสุขทุกขเวทนาที่เราไม่ใส่ใจมันจะออกมาเป็นเส้นยาวแต่สุขทุกขเวทนาที่เราใส่ใจมันจะเป็นวงกลงุล่มเรียกว่าธรรมจักเราทํามจักเป็นลักษณะเป็นไงกลมใช่ไมทำไมว่ามจะเป็นสี่เหลี่ยมนี้มันไม่ถูกตามหลักธรร ลักษณะธรรมของท่านดังนั้นเองเรื่องเหล่านี้ยิ่งเรียนยิ่งสนุกแต่ว่าเราไปทํามันจะสนุกหรือไม่เท่า น, นั้นนะเราต้องถ้าไปทําถ้าเข้าใจนะมันจะสนุกมากเลยอามาปฏิบัติมาหลายสิบปีไม่เคยเบื่อเลยจุดความเพียรตรงไหนก็ได้อารุณตรงนั้นเลยแต่ถ้าเราปฏิบัติไปหวันเจ็วันเบื่อนี่แสดงว่ามันยังเริ่มต้นยังไม่ถูกต้องไปดูว่าวันนี้ปฏิบัติได้สนุกโอ้วันนี้ง่วงสนุกเหลือเกินเนี่ยสนุกกับง่วงได้คุณไม่ใช่ไม่ สนุกระง่วงลึกเกินมาแก้มันอย่างนี้แก้มีแ ก, มแก้ไปเรื่อยๆสนุกอยากจะให้มันง่วงเยอะๆอีกพระโมฆลานาถ้าไม่มีความง่วงพิสูจน์ท่านบรรลุธรรมไม่ได้นะใช่ไหมเออบรรลุธรรมได้บรรลุ ก, ก่อนพระสารีบุตรที่อีกพระสารีบุตรต้องสิบห้าวันใช่ไหมแต่พระโมฆลานาะถอะไรเจดวันเพราะเอาทุกขเวทนาเกิดจากตัวง่วงมาเป็นเครื่องมือแต่เพราะแต่เมื่มีตัวช่วยพระพุทธเจ้าไปช่วย <น>มีพี่เลี้ยงไปช่วยท่าสุดท้ายใช่ไหมบอเออเขาง่วงจริงๆริงไปนอนซะแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขนะฮะนอนแต่พี่นอนคฮะพระคุณเห็นกันแล้วกันนะครับคุณได้ไล่เนะี่ยนอนเดี่ยวเท้านะะ้าเท้าซอนเท้าแล้วก็แบบสีหาสยสาินอนแบบราชาสีอะอนอนไปพักหนึ่งกง่วงมาเดินมาบึบเท่นั้หน้าคว่ำสับดินเลยที่นี่ พอหน้าส้มนี่โข่งตรงนั้นเลยอ่ะบรรลุตรงนั้นเลยเห็นไหมเราเรียกว่าบรรลุธรรมด้ยอ่ะใบแกงง่วงนะใบแกงง่วงดังนั้นนิวรณ์ทุกตัวถ้าหากว่าเราใช้มันเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของธรรมท่ทั้งนั้นเพราะร่างกายมันก็เป็นไปนตามหลักนิวรณ์เพราะนิวรณ์ทั้งห้าเกิดจาก อ, อนิจจังทุกขังอนัตตาการมาชันทะคืออนิจจังพยาปาทะคือทุกขงัง อุทจจะความง่วงความฟุ้งซ่านความรเลิงใสเป็นอนาตตาการมาชะทฏเป็นราคาพยาปะทะเป็นโธสัตตัวง่วงฟุ้งซ่านสงสัยเป็นมหมูหะนิวรณทั้งสจึงเป็นต้นตอของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเป็นสมุทยัยแล้วนิวรทั้งสามเริ่มมาจากอะไรเวทนาทั้งสเวทนาทั้งสจึงเป็นต้นตอแห่งธรรมทั้งปวงเป็นธรรมสมุทฐาน เห็นไหมถ้าคุณใส่ใจตรงนี้ให้ถูกต้องมันทะลุไปหมดเลยโอ้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะงั้นอย่ามองข้ามเรื่องเวทนาถ้าแยกไครเวทนานะคุณตั้งแต่ต้นจนจบไปเลยมันทะลุไปหากันหมดไม่ต้องไปรู้ชื่อรู้เสียงมันหรอกไม่ต้องไปรู้ชื่อรู้แซมหรอกนะเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ก็ขอหมู่ทนาสาธุที่เรานานๆที่เราได้เจอกันก็คุยกันฟังแล้วขอให้นําไปพิจารณาด้วยปัญญา อันชอบของเราเองที่เราได้บำเพ็ญมานี้พระมีปัญญาสติปัญญาเท่าใดทุ่มเทศึกษาเรนี้ให้เต็มที่เพื่อที่เราจะไม่ต้องต่อพกต่อชาติไปอีกยาวนานเราจะได้เข้าสู่ตัวสภาวะที่ตื่นรู้เบิกบานอย่างสูงสุดโดยการทุกคนทุกท่านถือ